วีสตินิบาตหนึ่งมาตังคาชาดกว่าด้วยอนุภาพของเรสีมาตังคะมันทพยกุมารตรัสกับมาตังคาดาบทว่าท่านมาจากไหนหนอนุ่งผ้าเก่าขาดกระรุ่งกระริ่งเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นสวมใส่เศษผ้าจากกองขยะไว้จนถึงคอท่านไม่ใช่ทักขินัยบุคคลเป็นใครกันแน่พระโพธิสัตว์กราบทูลว่า ขอถวายพระพรพระองค์ผู้เพี่พร้อมด้วยยศพราหมณ์ทั้งหลายย่อมขบฉันและดื่มกินอาหารที่พระองค์ทรงตระเตรียมไว้พระองค์ก็ทรงรู้ว่าอาตมาอาศัยอาหารที่ผู้อื่นให้เลี้ยงชีวิตขอคนจันทานจงได้ก้อนข้าวที่ต้องการลุกขึ้นยืนรับเถิดมนท่พยกุมารตรัสว่าอาหารนี้เราตระเตรียมไว้สําหรับพราหมณ์ทั้งหลายอาหารนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตน สำหรับเราผู้เชื่อมั่นท่านจงหลีกไปแต่ที่นี้เถิดจะยืนอยู่ทำไมพรามผู้ชั่วช้าคนเช่นเราจะไม่ให้ท่านพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าคนทั้งหลายเมื่อหวังผลย่อมหวานพืชลงในนาดอนหนึ่งในนาลุ่มหนึ่งในที่ไม่ใกล้แม่น้ำหนึ่งด้วยความเชื่อนั้นขอพระองค์จงให้ทานเพื่อให้ทักขีนยบุคคลยินดีได้แน่แท้ มันถาพยากุมานตรัสว่าเรารู้แจ้งเนื้อนาบุญเป็นที่ปฏิจสจธานมเมล็ดพืชทั้งหลายในโลกเนื้อนาบุญคือพรามทั้งหลายที่เกิดโดยชาติและมนนับว่าเป็นเนื้อนาบุญที่มีศีลเป็นที่รักยิ่งพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าก็อกคุณธรรมเหล่านี้คือความเมาเพราะชาติหนึ่งความมีมานะจัดหนึ่งโลภะหนึ่งโทสะหนึ่ง มทะหนึ่งโมหะหนึ่งทุกอย่างมีอยู่ในเนื้อนาบุญเหล่าใดเนื้อนาบุญเหล่านั้นนับว่าเป็นเนื้อนาบุญที่ไม่มีศีลเป็นที่รักในโลกอาคุณธรรมเหล่านี้คือความเมาพระชาติหนึ่งความมีมานะจัดหนึ่งโลภะหนึ่งโทสะหนึ่งมทะหนึ่งโมหะหนึ่งทุกอย่างไม่มีอยู่ในเนื้อนาบุญเหล่าใด เนื้อนาบุญเหล่านั้นนับว่าเป็นเนื้อนาบุญที่มีศีลเป็นที่รักในโลกเมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวความนี้ซ้ําอีกมันทพยกุมารทรงกริ้วแล้วตรัสว่าเจ้าอุปโชติยะเจ้าอุปชายะและเจ้าพันธกุชิไปไหนกันหมดพวกเจ้าจงเคียนตีจงทําร้ายเจ้าดาบทนี้แล้วจับคอเจ้าคนชั่วไส้หัวมันออกไป พระโพธิสัตว์หาอไปยุนในอากาศกราบทูลว่าพระองค์ทรงด่าว่าเรือีชื่อว่าขุดภูเขาด้วยเล็บเคี้ยกินก้อนเหล็กด้วยฟันและพยายามเกลืนกินไฟพระศา ส, าสดาทรงประกาศข้อความนั้นว่ามาตังค่าเรือีครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมีความบากบันแน่วแน่ในสัจจะเมื่อพราหมณ์ทั้งหลายเห็นอยู่ได้ห่อนี้ไปในอากาศ นางทิฏฐะมังคลิการีบเสด็จไปโดยเร็วเห็นว่าศีรษะบิดกลับไปข้างหลังแขนกลางออกใช้การไม่ได้ในตาขาวเหมือนในตาของคนตายแล้วใครหนอได้กระทําบุตรของดิฉันนี้ให้เป็นอย่างนี้ชนผู้อยู่ในที่นั้นบอกนางว่าสมณะนุ่งผ้าเก่าขาดกระรุ่งกระริ่งเหมือนปีศาจคลุกฝนสวมใส่เศษผ้าจากกองขยะไว้จนถึงคอไดมาณที่นี้ สมณารูปนั้นเลือกระทาบุตรของท่านนี้ให้เป็นอย่างนี้นางทิฏฐะมังคลิกาถามว่าพ่อมานพสมณะผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินได้ไปยังทิศไหนเสียเล่าขอท่านโปรดบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปขอโทษท่านทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะได้ชีวิตของบุตรนั้นคืนมามานบทั้งหลายผู้อยู่ในที่นั้นบอกว่า ราสีผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินได้เห่อไปดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญลอยอยู่ท่ามกลางนภากาศอีกอย่างหนึ่งราสีผู้เป็นคนดีแม้รูปนั้นปฏิญญามั่นอยู่ด้วยสัจจะได้ไปทางทิศบุรพานางทิฏฐามังคลิกาจะถามพระโพธิสัตว์ว่าศีรษะบิดกลับไปข้างหลังแขนกลางออกใช้การไม่ได้ในตาขาวเหมือนในตาของคนตายแล้ว ใครหนอเรียกระทําบุตคของดิฉันนี้ให้เป็นอย่างนี้พระโพธิสัตว์มาตังคบัณฑิตกล่าวตอบนางว่ายักษ์ทั้งหลายผู้มีอนุภาพมากยังมีอยู่แลก็ยักษ์เหล่านั้นได้ติดตามฤาษีทั้งหลายผู้เป็นคนดีทราบว่าบุคคขงท่านมีจิตประทุษร้ายโกรธเครืองจึงได้ทําให้เป็นอย่างนี้นางทิฏฐามคลิ ก, กากล่าวว่าก็ยักษ์ทั้งหลายเรียกกระทําบุตรของดิฉันให้เป็นอย่างนี้ ส่วนพระคุณเจ้าผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่ากโกรธบุตรดิฉันเลยพระคุณเจ้าผู้เห็นภายในวัตะสงสารดิฉันขอถึงพระคุณเจ้าเท่านั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นบาดเบื้องต้นดิฉันได้ติดตามมาด้วยความโศกถึงบุตรพระโพธิสัตว์มาตังค่าบันดิตกล่าวว่าทั้งในการนั้นทั้งเดี๋ยวนี้การคิดประทุษร้ายทางใจบางอย่างของอาตมาไม่มีแก่อาตมา ส่วนบุตรของท่านเป็นผู้มัวเมาเพราะความเมาในพระเวทเรียนจบพระเวทแล้วหารู้จักประโยชน์ไม่นางที่ถามังคลิกากล่าวว่าแน่นอนท่านผู้เห็นภัยในวะตะสงสารธรรมดาคนเราสัญญาย่อมเลือนไปเพียงชั่วครู่พระคุณเจ้าผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินขอพระคุณเจ้าจงอดโทษสักครั้งหนึ่งเถิดบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมไม่มีความโกรธรุนแรง พระโพธิสัตว์มาตังค่บัณฑิตผู้ถูกนางทิธฐมังคลิกาอ้อนวอนขอโทษให้บุตรจึงกล่าวว่าเนี้ยก้อนข้าวที่อาตมาฉันเหลือมันทัพยาบุตรของท่านผู้มีปัญญาน้อยจงบริโภคยักษ์ทั้งหลายไม่พึงเบียดเบียนมันทัพยาบุตรของท่านและบุตรของท่านจะเป็นผู้ไม่มีโรคลำดับนั้นมารดากล่าวกับบุตรว่าพ่อมันทัพยะเจ้าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา ไม่ชลาต่อบุคคลผู้เป็นเนื้อนาบุญได้ให้ทานในบุคคลผู้มีกิเลสเพียงดังน้ำฝาดมากมายผู้มีการงานเศร้าหมองไม่สํารวมบางพวกเกล้าผมเป็นชดาบางพวกนุ่งหนังสัตว์บางพวกปากมีหนวดรุงรังเหมือนบ่อน้ําเก่าเจ้าจงดูหมู่ชนนี้มีรูปซามมวยผมและหนังสัตว์คุ้มครองคนมีปัญญาซามไม่ได้ ชนเหล่าใดคลายราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วชนเหล่านั้นมีอาสวะสิ้นแล้วเป็นพระอรหรันทานที่บุคคลถวายแล้วในท่านเหล่านั้นมีผลมากมาตั้งคาชาดกที่หนึ่งจบสองจิตตสามภูตะชาดกว่าด้วยจิตตะบัณฑิตกับพระเจ้าสมภูตะบัณฑิตพระราชาทรงขับเพลงขับว่า กรรมทุกอย่างที่นรชนประพฤติดีแล้วมีผลผลกรรมถึงจะเล็กน้อยชื่อว่าเป็นโมคะหามีไม่เราเห็นสะผู้เกิดมามีอนุภาพมากซึ่งเกิดแต่ผลบุญเพราะกรรมของตนกรรมทุกอย่างที่นรชนประพฤติดีแล้วมีผลผลกรรมถึงจะเล็กน้อยชื่อว่าเป็นโมคะหามีไม่แม้ท่านจิตตบัณฑิตมีมโนรสสำเร็จสมปรารถนา เหมือนอย่างเราแลหรือขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนชาติกำเนิดของนอรชนไม่สม่ำเสมอในหมู่มนุษย์กำเนิดแห่งคนจันทานนับว่าต่ำต้อยที่สุดในชาติก่อนพวกเราได้อาศัยอยู่ในคันของหญิงจันทานเพราะกรรมชั่วช้าของตนพวกเราได้เกิดเป็นคนจันทานในอวันตีชนบทได้เกิดเป็นเนื้ออยู่ที่ฝั่งแม่น้าในรัชารา ได้เกิดเป็นนกเขาอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำน้ำมทาแต่วันนี้เราทั้งสองนั้นเป็นพรามและกระสัตจิตาบันดิตดาบทเมื่อให้พระเจ้าสัมภูตะเกิดอุตสาหะในบุญกุศลทั้งหลายจึงกล่าวว่าชีวิตถูกชารานำเข้าไปใกล้มรณะอายุของเหล่าสัตว์น้อยนักชีวิตที่ถูกชารานำไปย่อมไม่มีผู้ต้านทานขอถวายพระพรพระเจ้าปัญจละ ขอมหาบาพิตจงทรงทําตามคําของอาตมามหาบาพิตทรงอย่าได้ทํากรรมซึ่งเป็นทุกข์มีกำไรเลยชีวิตถูกชรานําเข้าไปใกล้มรณะอายุของเหล่าสัตว์น้อยนักชีวิตที่ถูกชรานําไปย่อมไม่มีผู้ต้านทานขอถวายพระพรพระเจ้าปัญจาละขอมหาบาพิตจงทรงทําตามคําของอาตมามหาบาพิตทรงอย่าได้ทํากรรมซึ่งมีทุกข์เป็นผลเลย ชีวิตถูกชรานำเข้าไปใกล้มรณะอายุของเหล่าสัตว์น้อยนักชีวิตที่ถูกชรานำไปย่อมไม่มีผู้ต้านทานขอถวายพระพรพระเจ้าปัญจาละขอมหาปพิธจงทรงทาตามคำของอาตมามหาปพิธทรงย้ได้ทำกรรมซึ่งมีธุลีแปดเปื้อบบนพระเศียรเลยชีวิตถูกชรานำเข้าไปใกล้มรณะอายุของเหล่าสัตว์น้อยนัก ชราย่อมขจัดผิวพันุ์ของนรชนผู้แก่ชราขอถวายพระพรพระเจ้าปัญจาละขอมหาปพิจงทรงทำตามคำของอาตมามหาปพิษอย่าได้ทรงทำกรรมเพื่อเกิดในนรกเลยเมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวอย่างนั้นพระราชาทรงยินดีแล้วจึงตรัสว่าคําของพระองค์นั้นเป็นคําสัตว์อย่างแท้จริงคานั้นเป็นเหมือนดังที่เรือสีกล่าว แต่กามของหม่อมฉันมีอยู่ไม่ใช่น้อยข้าแต่ท่านผู้เห็นภัยในวะตะสงสารกรามเหล่านั้นคนเช่นหม่อมฉันละได้ยากหม่อมฉันจมอยู่ในเปลือกตมคือกามไม่อาจดาเนินตามทางของภิกษุได้เหมือนช้างเชือกที่จมอยู่ในถ้ำกลางเปลือกตมเพนที่เนินอยู่ก็ไม่อาจจะไปได้มารดาบิดาพร่ำสอนบทด้วยหวังว่าเขาจะมีความสุขได้อย่างไรแม้ฉันใด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระองค์ก็ฉันนั้นพร่ำสอนหม่อมฉันโดยที่หม่อมฉันละโลกนี้ไปแล้วจะพึงเป็นสุขสิ้นกาลนานพระโพธิสัตว์มาตังคะบัณฑิตถวายพระพรว่าขอถวายพระพรพ ร, พระองค์ผู้จอมชนหากมหาปิฏก็ไม่ทรงสามารถจะละกามซึ่งเป็นของมนุษ์เหล่านี้ได้ขอพระองค์ทรงตั้งพลีกรรมที่เป็นธรรมเถิดมหาปิฏอันหนึ่ง การกระทำที่ไม่เป็นธรรมขออย่าได้มีในแคว้นของพระองค์เลยขอพวกทูตจงเที่ยวไปนิมนต์สมณะและพรามทั้งหลายทั่วทิศ ท, ทั้งสี่มหาบพิษขอทรงบำรุงสมณะและพราหม์เหล่านั้นด้วยข้าวน้ำผ้าเสนาสนะและปัจจัยพระองค์ผู้มีพระหฤทัยเลื่อมใสทรงเลี้ยงสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มน้ำด้วยข้าวและน้ำ ทรงถวายและทรงเสวยตามความสามารถจะไม่ถูกนินทาขอทรงเข้าถึงแดนสวรรค์เถิดมหาปิฏฐหากว่าความเมาพึงครอบงพระองค์ซึ่งมีหมู่นาเรีบาเรออยู่ขอพระองค์ทรงมนศิ ก, การคาถานี้และขอจงตรัสคาถานี้ในถ้ำกลางบริษัทสัตว์ผู้นอนอยู่กลางแจ้งมีหญิงจันทานผู้เมื่อจะไปป่าให้ดื่มน้ำนม แล้วคลุกคลีอยู่กับฟูงสุนักสัตว์นั้นวันนี้เขาเรียกกันว่าพระราชาจิตตะสัมผูตะชาดกที่สองจบ3ศสีวิราชาชาดกว่าด้วยพระเจ้าสีผีท้าวสักกะเทวราชทูลขอดวงพระเนตรกับพระราชาว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนเท่ามองเห็นได้ไม่ไกลมาเพื่อทูลขอพระจักษุ เราทั้งสองจะมีในตาคนละข้างข้าพระพุทธเจ้าทูลขอแล้วขอพระองค์โปรพระราชธานพระจักษุแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดพระโพธิสัตว์ได้สะดับดังนั้นทรงดีพระไทยจึงตรัสว่าวันนิพกใครแนะนำเจ้าให้มาขอดวงตาณที่นี้เจ้าขอดวงตาซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญยากที่จะสละได้ง่ายๆที่บันดกกล่าวไว้ว่า เป็นของที่คนสละได้ยากเท้าสักกะเทวราชตรัสว่าท่านผู้ใดในเทวโลกเขาเรียกกันว่าสุชัมบดีท่านผู้นั้นในมนุษยโลกเขาเรียกกันว่ามขวานข้าพระพุทธเจ้าเป็นวรนณะภกท่านผู้นั้นแนะนำให้มาขอพระราชทานดวงพระเนตรในที่นี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าทูลวิงวอนขอพระราชทานอวยวะอันสาคัญอยู่ขอพระองค์ผู้ถูกขอ โปรดพระราชทานดวงพระเนตรแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดขอพระองค์โปรดพระราชทานดวงพระเนตรซึ่งเป็นอวยวะที่สำคัญที่บันฑดตกล่าวไว้ว่าคนสละได้ยากแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดพระราชาตรัสว่าเจ้ามาด้วยความประสงค์อันใดปรารถนาประโยชน์อันใดอยู่ขอความดำริเหล่านั้นจงสำเร็จแก่เจ้าพราหม์เจ้าจงได้ดวงตาเถิด เมื่อเจ้าขอข้างเดียวเราจะให้ทั้งสองข้างเมื่อประชาชนเพ่งดูอยู่เจ้าจงเป็นผู้มีดวงตาไปเถิดเจ้าปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่เจ้าข้าราชการมีเสนาบดีเป็นต้นราชวัลลบชาวพระนครและนางสนมกราบทูลทัดทานว่าขอเดชะพระองค์ผู้สมติเทพของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระองค์อย่าได้พระราชทานดวงพระเนตรเลยอย่าทรงละทิ้งพวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเลยขอเดชะพระมหาราชขอพระองค์พระราชทานทรัพย์แก้วมุกดาและแก้วไพลทูลจานวนมากไปเถิดขอเดชะพระองค์ผู้สมุติเทพขอพระองค์จงพระราชทานราชรถที่เทียมด้วยม้าอาชาในซึ่งประดับตกแต่งแล้วขอพระองค์จงพระราชทานพญาช้าง และที่อยู่อาศัยที่ทําด้วยทองคอําเถิดขอเดชะพระองค์ผู้จอมทัพขอพระองค์จงพระราชทานสิ่งของให้พราหมณ์เหมือนกับชาวกรุงศรีพีที่มียานพาหนะและรถพึงตามเสด็จแวดล้อมพระองค์ในการทุกเมื่อลําดับนั้นพระราชาได้ตรัสสามคาถาว่าผู้ใดพูดว่าเราจะให้แล้วกลับใจไม่ให้ผู้นั้นชื่อว่าสวมบ่วงที่ตกไปบนพื้นดินไว้ที่คอ ผู้ใดพูดว่าเราจะให้แล้วกลับใจไม่ให้ผู้นั้นเป็นคนเลวกว่าคนที่เลวชื่อว่าเข้าถึงสถานที่ลงโทษแห่งพญายมเขาขอสิ่งใดควรให้สิ่งนั้นเขาไม่ขอสิ่งใดไม่ควรให้สิ่งนั้นเราจะให้สิ่งที่พรามขอกับเราเท่านั้นลำดับนั้นพวกอมาทุนถามพระราชาว่าขอเดชะพระองค์ผู้จอมชน พระองค์ทรงปรารถนาอายุวันณนะสุขหรือพระอะไรหรือจึงได้พระราชทานพระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งชาวศรีพีจะพึงพระราชทานดวงพระเนตรเพราะเหตุแห่งปรโลกได้อย่างไรพระราชาตรัสว่าเราบริจาคดวงตา น, นั้นเพราะยศก็หาไม่ได้เราจะปรารถนาบุตรรับและแขวนก็หาไม่แต่นี้เป็นธรรมของสัตว์รุษที่ท่านประพฤติมาแต่โบราณเพราะเหตุนั้นแล ใจของเราจึงยินดีในการให้ทานดวงตาทั้งสองข้างเราจะเกลียดชังก็หาไม่ตัวตนเราจะเกลียดชังก็หาไม่แต่สัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราเพราะเหตุนั้นเราจึงได้บริจาคดวงตาพระโพธิสัตว์ได้กำชับนายแพทย์ศีวิกกะว่านายแพทย์ศีวิกะท่านเป็นเพื่อนเป็นมิตรของเราศึกษามาดีแล้วจงทาตามคาของเราโดยดี เมื่อเรายังเห็นอยู่ท่านจงควักดวงตาแล้ววางไว้ในมือของวา น, นิภก พ, พระศาสดาทรงประกาศข้อความนั้นว่าในแพทย์ศีวิกะถูกพระเจ้าศีพีทรงเตือนจึงกระทำตามรับสั่งได้ควักดวงพระเนตรของพระราชาแล้วได้น้อมเข้าไปให้เกียรพราหมณ์พราหมณ์มเป็นคนมีตาดีพระราชากลับกลายเป็นคนมีพระเนตรบอดไปจากวันนั้นสองสามวันต่อมา เมื่อดวงพระเนตรมีเนื้องอกขึ้นมาพระราชาผู้ทรงบำรุงแคว้นแห่งชาวกรงุงศรีพีให้เจริญรุ่งเรืองพระองค์นั้นทรงรับสั่งหานายสารถีมาตรัสว่าพ่อสารถีเจ้าจงจัดเทียมยานเทียมเสร็จแล้วจงบอกให้ทราบเราจะไปยังอุทยานสะโบขรณีและราวป่าก็พระราชาได้เสด็จเข้าไปประทับนั่งาสมาที่ริมฝั่งสะโบรณี ท้าสุ c h a m b a สักกะเทวราชได้ทรงปรากฏแก่เท้าเธอฝ่ายเท้าสักกะซึ่งพระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงฝีพระบาทแล้วทูลถามจึงตรัสว่าฤาษีเจ้ามอมฉันเป็นเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพได้มาที่สำนักของพระองค์ขอพระองค์จงขอพรที่พระองค์มีพระทัยปรารถนาพระราชาตรัสว่าขอถวายพระพรเท้าสักกะทราบของอัตมาก็มีเพียงพอ พลนิกายและพระคลังก็มีมิใช่น้อยแต่บัดนี้อาตมาเป็นคนตาบอดจึงพอใจการตายเท่านั้นท้าวสักกะตรัสว่าพระมหากษัตริย์ผู้จอมมนุษย์คำเหล่าใดเป็นคำสัตว์ขอพระองค์จงตรัสคำเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสคำสัตว์ดวงพระเนตรจากปรากฏมีอีกพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระราชาได้ทําสัจจะ ก, กริยาว่า วันนิพกมีโคด ต, ต่างๆกันเหล่าใดพากันมาเพื่อจะขอกับอาตมาบรรดาวันนิพกเหล่านั้นผู้ใดย่อมขออาตมาแม้ผู้นั้นย่อมเป็นที่รักแห่งใจของอาตมาด้วยสั จ, จวาจานี้ขอดวงตาจงเกิดขึ้นแก่อาตมาต่อมาได้ตรัสอีกว่าพราหมณ์ผู้มาขอกับอาตมาแล้วว่าขอพระองค์โปรดพระราชทานดวงตาข้างหนึ่งเถิด อาตมาได้ประทานดวงตาให้พราหม์ซึ่งขออยู่นั้นไปสองข้างปีติและสมนัตไม่ใช่น้อยได้ท่วมทับโดยยิ่งด้วยสั จ, จวาจานี้ขอดวงตาดวงที่สองจงเกิดขึ้นแก่อาตมาเท้าสักกะทรงชมเชยพระโพธิสัตว์ในท้ำกลางมหาชนว่าพระองค์ผู้ทรงผดุงแคว้นให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีพระองค์ตรัสคถาโดยธรรม ดวงพระเนตรของพระองค์เหล่านี้จะปรากฏเป็นทิพย์จะให้พระองค์สำเร็จการเห็นทะลุผ่านภายนอกฝาภายนอกกำแพงศิลาและภูเขาไปได้ไกลถึงร้อยโยธโดยรอบพระโพธิสัตว์แสดงธรรมว่าในโลกนี้ใครหนอถูกเขาขอแล้วไม่เพึงให้ทราบเครื่องปลื้มใจทั้งวิเศษทั้งเป็นที่รักยิ่งของตนเอาเถิด เราขอเตือนชาวสีพีทุกคนที่มาประชุมพร้อมกันขอพวกท่านจงดูดวงตาทั้งสองซึ่งเป็นทิปของเราในวันนี้จะให้เราสำเร็จการเห็นทะลุผ่านภายนอกฝาภายนอกกำแพงศิลาและภูเขาไปได้ไกลถึงร้อยยน์โดยรอบไม่มีอะไรของเหล่าสัตว์ในมนุษย์โลกนี้ที่จะยอดเยี่ยมไปกว่าการบริจาคเราได้บริจาคดวงตาซึ่งเป็นของมนุษย์แล้ว กลับได้ดวงตาอันยิ่งกว่าของมนุษย์พี่น้องชาวกรุงศรีพีทั้งหลายพวกท่านได้เห็นดวงตาทิพย์ที่เราได้แล้วแม้นี้จงให้ทานจงบริโภคเถิดคนที่ให้แล้วและบริโภคแล้วตามความสามารถไม่พึงถูกนินทาพึงเข้าถึงแดนสวรรค์ศีวิราชาชาดกที่สาจกสีรีมันตะชาดก ว่าด้วยปัญหาของความมีสิริกับมีปัญญาพระราชาตรัสในสิริมันตะปัญหาว่าท่านอาจารย์เซนกะเราขอถามเนื้อความนี้กับท่านในคนสองประเภทนี้คือคนที่มีปัญญาแต่ปราศจากสิริหรือคนที่มียศแต่ปราศจากปัญญาผู้ฉลาดกล่าวคนไหนว่าประเสริฐเซนกะบัณฑิตกลาบทูลอย่างฉาพลันว่า ขอเดชาพระองค์ผู้จอมชนคนทั้งหลายเป็นนักปราชญ์ก็ตามเป็นคนโง่ ก, ก็ตามมีศิลปะ ก, ก็ตามไม่มีศิลปะ ก, ก็ตามแม้มีชาติสกุลสูงก็เป็นคนรับใช้ของคนมียศถึงจะมีชาติสกุลต่ำข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนเลวคนมีสิริเท่านั้นเป็นคนประเสริฐพระราชาตรัสถามมโหสถบัณฑิต ซึ่งนั่งเป็นคนใหม่ในหมู่บัณฑิตว่าเราขอถามท่านบ้างท่านมโหสถบัณฑิตผู้มีปัญญาไม่สามผู้เห็นธรรมโดยสิ้นเชิงในคนสองประเภทนี้คือคนโง่แต่มียศหรือบัณฑิตแต่มีโพกรับน้อยผู้ฉลาดกล่าวคนไหนว่าประเสริฐพระโพธิสัตว์มโหสถบัณฑิตกลาบทูลว่าคนโง่ทำแต่กรรมชั่ว สำคัญอิสริยยศนี้เท่านั้นว่าประเสริฐคนโง่เห็นแต่โลกนี้ไม่เห็นโลกหน้าจึงยึดถือเอาแต่โทษในโลกทั้งสองข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนโง่ที่มียศหาประเสริฐไม่เซนกะบัณฑิตกราบทูลคัดค้านแล้วว่าศิละปะนี้ก็ดีเผ่าพันก็ดีส่วนแห่งร่างกายก็ดีหาจัดแจงโภคะได้ไหม โปรทอดพระเนตรโควินทะผู้ไบเพราะน้ำลายซึ่งได้รับความสุขเพราะคนมีสิริย่อมคบหาเขาข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนเลวคนมีซิริเท่านั้นประเศรศสริฐมโหสถบัณฑิตกราบทูลคัดค้านว่าคนมีปัญญาน้อยได้รับความสุขย่อมมัวเมาแม้ถูกความทุกข์กระทบย่อมหลงถูกความสุขและความทุกข์จรมากระทบเข้า ย่อมวันไว้เหมือนปลาในฤดูร้อนข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนโง่ถึงมียศก็หาประเสริฐไม่เซนกะบัณฑิตกราบทูลคัดค้านว่าต้นไม้ในป่าที่มีผลดกฝูงนกย่อมบินโฉบไปมาอยู่รอบต้นชันใดคนผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มีโภคะก็ฉันนั้นคนเป็นจานวนมากย่อมคบหาเพราะเหตุแห่งประโยชน์ ข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนเลวคนมีสิริเท่านั้นประเสริฐมโหสถบัณฑิต ก, กราบทูลคัดค้านว่าคนโง่ถึงจะมีกำลังก็หา ย, ยัางประโยชน์ให้สำเร็จได้ไม่นายนิรยบาลทั้งหลายย่อมฉุกค่าคนมีปัญญาสามผู้คร่ำครวญถึงทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยกรรมอันโหดร้ายไปสู่นรกที่มีเวทนาอันแรงกล้า ข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นนี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนโง่ถึงมียศก็หาประเสริฐไม่เซนกะบัณฑิต ก, กราบทูลว่าแม่น้ำบางสายย่อมไหลลงสู่แม่น้ำคงคาแม่น้ำเหล่านั้นทุกสายย่อมละทิ้งชื่อและโคตของตนแม่น้ำคงคาเมื่อไหลลงสู่ท้องทะเลก็ไม่ปรากฏชื่อฉันใดแม้คนมีปัญญาในโลกก็ฉันนั้น ย่อมไม่ปรากฏความสําเร็จข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนเลวคนมีสิริเท่านั้นประเสริฐมโหสถบัณฑิต ก, กราบทูลว่าทะเลใหญ่หลวงที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงซึ่งแม่น้ําน้อยใหญ่หลังไหลไปนับไม่ถ้วนอยู่ตลอดการทั้งปวงมีกําลังโอลานอยู่เป็นนิดมาหาสมุทรย่อมไม่ล่วงเลยฝั่งไปได้ฉันใด แม้ถ้อยคำของคนโง่ก็ฉันนั้นในการบางครั้งบางคราวถึงคนมีสิริก็ไม่ล่วงเลยคนมีปัญญาไปได้ข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกลาบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนโง่ถึงมียศก็หาประเสริฐไม่เซนกะบัณฑิกลาบทูลว่าถึงแม้คนผู้ไม่สำรวมแต่มียศ ด, ดำรงอยู่ในฐานะผู้วินิจฉัยย่อมกล่าวเนื้อความแก่คนเหล่าอื่น ถ้อยคำของเขานั้นนั่นแลย่อมงอกงามใน่้ำกลางแห่งหมู่ญาติเพราะคนมีสิริยังคนเหล่าอื่นให้ทําตามถ้อยคำของตนนั้นได้คนมีปัญญาหาทาได้ไหมข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนเลวคนมีสิริเท่านั้นประเรสริฐมโหสถบัณฑิต ก, กราบทูลว่าเพราะเหตุแห่งคนอื่นบ้างหรือเพราะเหตุแห่งตนบ้าง คนโง่มีปัญญาน้อยย่อมพูดเท็จได้เขาย่อมถูกนินทานในถ้ำกลางสภาแม้ในภายหลังเขาย่อมไปสู่ทุคติข่าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนโง่ถึงมียศก็หาประเสริฐไม่เซนากะบดิฑิตกราบทูลว่าคนมีปัญญาดังแผ่นดินแต่ไม่มีที่อยู่อาศัยมีทรัพย์น้อยยากจนแม้หากจะกล่าวข้อความ ถอยคําของเขานั้นหางอกงามในถ้ากลางหมู่ญาติใหม่ธรรมดาสิริไม่มีแก่คนมีปัญญาข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนเลวคนมีสิริเท่านั้นประเรสริฐมโหสถเป็นเด็กราบทูลว่าเพราะเหตุแห่งคนอื่นบ้างเพราะเหตุแห่งตนบ้างคนมีปัญญาดังแผ่นดินจะไม่พูดหลอกแหละเขามีคนบูชาแล้วในถ้ากลางสภา แม้ในภายหลังเขาเข้าไปสู่สุคติข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนโง่ถึงมียศก็หาประเสริฐไม่เซนกะบันเึกกราบทูลว่าช้างโคมา้าต่างหูแก้วมณีและหญิงทั้งหลายเกิดในสกุลที่มั่งคัง่งทั้งหมดเหล่านั้นล้วนเป็นเครื่องอุปโภค ข, ของคนมั่งคัง่งคนผู้ไม่มั่งคัง่งก็เป็นเครื่องอุปโภค ข, ของคนมั่งคัง่ง ข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนเลวคนมีสิริเท่านั้นประเรสริฐมโหสถบัณฑิตยกเหตุผลอย่างอื่นมาว่าสิริย่อมและคนโง่ผู้ไม่จัดแจงการงานมีความคิดเลวซามมีปัญญาซามไปเหมือนงูลอกคราบเก่าทิ้งข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกราบทูลว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐ คนโง่ถึงมียศก็หาประเสริฐไม่ต่อมาเซนกะบัณฑิตคิดจะทำลายวาทะของมโหสถบัณฑิตจึงกล่าวว่าขอจงทรงพระเจริญข้าพระองค์ทั้งห้าคนนี้แหละเป็นบัณฑิตทั้งหมดล้วนต้องประคองอัญเชลีบำรุงพระองค์พระองค์ทรงเป็นอิสระครอบงมือข้าพระองค์ทั้งหลายดุทเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นเจ้าแห่งพูดข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเป็นคนเลวคนมีสิริเท่านั้นประเสริฐพระโพธิสัตว์มโหสถบัณฑิตเมื่อจะทําลายวาทะของเสนกะบัณฑิตจึงกราบทูลพระราชาว่าคนโง่มียศเมื่อมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นทาตคนมีปัญญาบัณฑิตย่อมจัดการเหตุที่ละเอียดได้คนโง่ย่อมถึงความงวยงงในเหตุนั้นข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกราบทูลว่า คนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนโง่ถึงมียศก็หาประเสริฐไม่พระโพธิสัตว์มโหสถบัณฑิตสันเริญปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปว่าแท้จริงปัญญาเท่านั้นสัปปรพูตทั้งหลายสันเสริญสิริเป็นที่ต้องการของคนโง่ผู้ยินดีในโพคะส่วนญาณของท่านผู้รู้ทั้งหลายช่างไม่ได้คนมีสิริล่วงเลยคนมีปัญญาไปไม่ได้ไม่ว่าในการไหน พระราชาสดับดังนั้นทรงยินดีต่อการแก้ปัญหาของพระโพธิสัตว์มโหสถจึงตรัสว่าพ่อมโหสถบัณฑิตผู้เห็นธรรมโดยสิ้นเชิงเราได้ถามปัญหาใดกับเจ้าเจ้าก็ได้แก้ปัญหานั้นแก่เราเราพอใจการแก้ปัญหาจึงให้โคแก่เจ้าพันตัวโคอุสภะและช้างรถเทียมะาอาชายในเหล่านี้สิบคันและบ้านสวยสิบหกตำบล สิริมันตะชาดกที่สี่จบ 5. โรหณะมิขะชาดกว่าด้วยพญาเนื้อชื่อโรหณนะพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาเนื้อโรหณนะพบเนื้อจิตตกะตัวน้องจึงกล่าวว่าพ่อจิตตกะฝูงเนื้อเหล่านั้นกลัวตายจึงพากันหลบหนีไปถึงเจ้าก็จงหนีไปเถิดอย่าห่วงใยพี่เลย ฟูงเนื้อเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ร่วมกับเจ้าเนื้อจิตตกะตอบว่าพี่โรหณนะฉันไม่ไปถึงใครจกควักดวงใจฉันไปฉันก็จักไม่ละทิ้งพี่ไปฉันจักสละชีวิตทิ้งไว้ณที่นี้พญาเนื้อโรหณะกล่าวว่าก็บิดามารดาผู้ตาบอดของพวกเราท่านทั้งสองนั้นไม่มีผู้นำจักต้องตายแน่ถึงเจ้าก็จงหนีไปเถิดอย่าห่วงยยพี่เลย ท่านทั้งสองนั้นจะมีชีวิตอยู่ร่วมกับเจ้าเนื้อจิตตกะกล่าวว่าพี่โรหนะฉันไม่ไปถึงใครจะควักดวงใจฉันไปฉันก็จกไม่ละทิ้งพี่ผู้ติดบวงไปฉันจักสละชีวิตทิ้งไว้ณที่นี้พระโพธิสัตว์โรหณนะเห็นน้องสุตนากลับมาจึงกล่าวว่าหนีไปเถิดน้องหญิงผู้มีความกลัวเจ้าจงหนีไปพี่ติดบวงที่ล่ามติดกับเล็ก ถึงเจ้าก็จงหนีไปเถิดอย่าห่วงยายพี่เลยฝูงเนื้อเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ร่วมกับเจ้าเนื้อสุตนากล่าวว่าพี่โรหณนะฉันไม่ไปถึงใครจะควักดวงใจฉันไปฉันก็จกไม่ละทิ้งพี่ไปฉันจักสละชีวิตทิ้งไว้ณที่นี้พญาเนื้อโพธิสัตว์โรหณะกล่าวว่าก็บิดามารดาผู้ตาบอดของพวกเราท่านทั้งสองนั้นไม่มีผู้นำจักต้องตายแน่ ถึงเจ้าก็จงหนีไปเถิดอะย่าห่วงยายพี่เลยท่านทั้งสองนั้นจะมีชีวิตอยู่ร่วมกับเจ้าเนื้อสุตนาตอบว่าพี่โรหนะฉันไม่ไปถึงใครจะควักดวงใจฉันไปฉันก็จับไม่ละทิ้งพี่ผู้ติดบ่วงไปฉันจักสละชีวิตทิ้งไว้ณที่นี้พญาเนื้อโพธิสัตว์โรหณะเห็นนายพรานกาลังเดินมาจึงกล่าวว่านั่นไงนายพรานผู้โหดร้ายพร้อมทั้งอาวุธ ผู้จักใช้ลูกสรหรือหอกฆ่าพวกเราในวันนี้กําลังเดินมาพระศาสดาทรงประกาศข้อความนั้นว่านางลูกเนื้อนั้นถูกภัยบีบคั้นคุกคามวิ่งหนีไปครู่หนึ่งถึงจะมีความกลัวแต่ก็ได้ทำสิ่งที่ทำได้แสนยากได้กลับมาเผชิญหน้าต่อความตายนายพรานถามเหตุผลที่เนื้อสองตัวเป็นอะไรกับพญานเนื้อว่าเนื้อทั้งสองนี้เป็นอะไรกับเจ้าหนอ พ้นไปแล้วยังกลับมาหาเจ้าผู้ติดบวงอีกพวกเขาไม่ปรารถนาจะทิ้งเจ้าไปแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเนื้อทั้งสองนี้เป็นอะไรกับเจ้านอพ้นไปแล้วยังกลับมาหาเจ้าผู้ติดบวงอีกพวกเขาไม่ปรารถนาจะทิ้งเจ้าไปแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ได้บอกแกนายพรานนั้นว่านายพรานเขาทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกับข้าพเจ้า พวกเขาจึงไม่ปรารถนาจะจิ้งเข้าพระเจ้าไปแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตพญาเนื้อจิตกะรู้ว่าในพรานไม่จิตอ่อนโยนจึงกล่าวเหตุผลต่างๆว่าปอบิดามารดาผู้ตาบอดของพวกเราท่านทั้งสองนั้นไม่มีผู้นำจักต้องตายแน่ขอท่านจงให้ชีวิตแก่พวกเราทั้งห้าโปรดปล่อยพี่ชายของพวกเราเถิดพ่อพราน ในพรานนั้นฟังธรรมของเนื้อจิตตกะแล้วมีจิตเลื่อมใสจึงกล่าวปลอบโยนว่าเรานั้นจะปล่อยเนื้อที่เลี้ยงบิดามารดาขอบิดามารดาของพวกเจ้าจงรื่นเริงบันเทิงใจเพราะได้เห็นพญาเนื้อหลุดพ้นจากบ่วงแล้วเถิดเนื้อจิตตกะพบพระโพธิสัตว์แล้วดีใจจึงอนุโมทนาแก่ในพรานว่าในพรานวันนี้ข้าพเจ้าเห็นพญาเนื้อ พ้นจากอันตรายแล้วย่อมร่าเริงชันใดขอท่านพร้อมกับญาติทั้งหมดจงร่าเริงชันนั้นเถิดบิดามารดาถามถึงเหตุที่พญาเนื้อโรหณะหลุดจากบวงว่าเมื่อชีวิตเข้ามาใกล้ความตายเจ้าหลุดพ้นมาได้อย่างไรลูกรักทำไมในพรานจึงได้ปลดปล่อยเจ้าออกจากบวงเสีล่าพระโพธิสัตว์กล่าวว่าน้องจิตกะเมื่อกล่าววาจาอนันไพเราะหู จับจิตจับใจเพราะฟังวาจาไพเราะหูจับจิตจับใจทราบซึ้งตรึงใจและเพราะได้ฟังวาจาสุภาษิตนายพรานจึงได้ปล่อยลูกมาบิดามารดาอนุโมทนาต่อนายพรานว่าขอให้ในายพรานจงเรื่นเริงบันเทิงใจพร้อมกับบุตรและภัญญาเหมือนพวกเราเรื่นเริงบันเทิงใจในวันนี้เพราะได้เห็นพ่อโรฮณะกลับมา พระราชาทรงเห็นนายพรานมาเฝ้าจึงตรัสว่านายพรานเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่าจากนําตัวเนื้อหรือหนังมามิใช่หรือก็เพราะเหตุอะไรเล่าเจ้าจึงไม่นําตัวเนื้อหรือหนังมาเลยนายพรานกราบทูลว่าพญาเนื้อได้มาสู่เนื้อมือและได้ติดบ่วงแล้วแต่เนื้อที่ไม่ติดบ่วงสองตัวได้เข้ามาหาพญาเนื้อนั้นข้าพระองค์นั้นได้มีความสังเวช ค้นพองสยองกล้าวไม่เคยเป็นมาก่อนว่าถ้าเราฆ่าเนื้อตัวนี้เราจะเสียชีวิตในวันนี้พระราชาทรงสดับดังนั้นแล้วตรัสว่านายพรานเนื้อเหล่านั้นเป็นเช่นไรมีธรรมเช่นไรมีสีสันอย่างไรมีปกติอย่างไรเจ้าจึงสรรเสริญพวกมันเสียนักหนาะนายพรานกราบทูลว่าเนื้อเหล่านั้นมีเขาสีขาวข้นหางสะอาดผิวหนังประดุดทองคา เท้าแดงดวงตาเยิม้มเป็นที่น่ารื่นรมย์ใจนายพรานประกาศเสียกายของเนื้อเหล่านั้นว่าขอเดชะพระองค์ผู้สมติเทพเนื้อเหล่านั้นเป็นเช่นนี้มีทาเช่นนี้เป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดาขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้นำมาถวายพระองค์พระราชาทรงพอพระทยัยแล้วทรงรับสั่งปุลบําเน็จชุบเลี้ยงบุตรนายพรานด้วยยศใหญ่โดยตรัสว่า พ่อพรานเราจะให้ทองคำแก่ท่านร้อยแท่งต่างหูแก้วมณีที่มีค่ามากและบันลังสี่เหลี่ยมมีสีอันเป็นสริริคล้ายดอกสามหาวพัญญาที่เหมาะสมกันสองคนและโคอุสะพาอีกร้อยตัวเราจะครอบครองราชสมบัติโดยธรรมพ่อพรานท่านมีอุปการะแก่เรามากพ่อพรานท่านจงเลี้ยงดูพัญญาด้วยกสิกรรมพานิชกรรมการให้กู้หนี้ และการเที่ยวสแสวงหาโดยธรรมเถิดอย่าได้กระทำบาปอีกเลยโรหณะมิฆาชาดกที่ห้าจบ 6. จูละหังสชาดกว่าด้วยหงสุมุขะผู้พักดีต่อพญาหงจูละหังสะพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาหงทองเมื่อจะทดลองใจหงสุมุขะจึงกล่าวว่าฝูงหงเหล่านั้นถูกภัยคุกคาม มีความกลัวจนต้องบินหนีไปท่านสุ ม, มุขะผู้มีผิวพรรณเหลืองอร่ามดังทองคำท่านจงบินหนีไปตามความประสงค์เถิดเราผู้เดียวติดบวงอยู่หมู่ญาติทั้งหลายไม่เหลียวแลพากันละทิ้งบินหนีไปใหญ่ยยเล่ายังเหลือเจ้าอยู่แต่ตัวเดียวท่านสุ ม, มุขะผู้ประเสริฐโผบินไปเถอะเพราะความเป็นสหายไม่มีในผู้ติดบวงหรอก ท่านอย่าทำความเพียนเพื่อความไม่มีทุกข์ให้เสื่อมเสียไปเลยจงบินหนีไปตามความประสงค์เถิดหงสุมุขะเสนาบดีจับที่หลังเปลือกตมกล่าวว่าเท้าทตารทะข้าพระองค์จะไม่ละทิ้งพระองค์ไปเพราะเหตุเพียงเท่านี้ว่าพระองค์ต้องประสบทุกข์ข้าพระองค์จะอยู่จะตายกับพระองค์พญาโงทต ร, ระกล่าวว่าท่านสุมุขะ คำใดที่ท่านกล่าวออกมาคำนั้นเป็นคำอันดีงามของอริยชนแต่เราเมื่อจะทดลองท่านจึงได้กล่าวคำนั้นออกไปว่าจงบินหนีไปเสียเถิดฝ่ายบุตรในพรานเข้าไปหาพญาหงแล้วกล่าวว่าท่านผู้ประเสริฐอุดมกว่าหงทั้งหลายวิสัยปักษาที่ชาชาตัวพ ง, งาจสัญจรไปในอากาศย่อมทำอากาศที่ไม่ใช่ทางให้เป็นทางบินไปได้ ท่านไม่ทราบว่ามีบ่วงแต่ที่ไกลหรือพญาหงโพทิสัต์กล่าวว่าเมื่อใดสัตว์มีความเสื่อมในขณะจะสิ้นชีวิตเมื่อนั้นถึงจะมาใกล้คายและบ่วงก็ไม่รู้นายพรานชื่นชมถ้อยคำของพญาหงจึงสนทนากับพญาหงสุมุขะว่าฝูงหงเหล่านั้นถูกภัยคุกคามมีความกลัวจนต้องบินหนีไปท่านผู้มีผิวพรรณเหลืองอารามดังทองคา ท่านเท่านั้นยังเหลืออยู่นกทั้งหลายเหล่านั้นกินดื่มแล้วก็บินไปไม่เลีล้ยวแหลท่านผู้เดียวเท่านั้นยังอยู่ใกล้นกตัวนี้เป็นอะไรกับเจ้านอพ้นไปแล้วยังเข้าไปใกล้นกตัวติดบ่วงนกทั้งหลายพากันทอดทิ้งบินหนีไปใหญ่เล่ายังเหลือแต่เจ้าตัวเดียวโฮงสุมุขะขเสนาบดีกล่าวว่านกตัวนั้นเป็นราชาของข้าพเจ้า เป็นทั้งมิตรเป็นทั้งเพื่อนเสมอด้วยชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ละทิ้งท่านไปตราบจนวันตายนายพรานฟังดังนั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสคิดจะปล่อยพญาหงที่ติดบ่วงจึงกล่าวว่าก็เจ้าประสงค์จะสละชีวิตเพราะเหตุแห่งเพื่อนเรายอมปล่อยสหายของเจ้าขอพญาหงจงตามเจ้าไปเถิดโหงสมุขเสนาบดีมองดูพระโพธิสัตว์มีจิตยินดี จึงอนุโมทนากแก่นายพรานว่านายพรานวันนี้ข้าพระเจ้าเห็นพญาหงผู้เป็นใหญ่ขวานนกพ้นจากอันตรายแล้วย่อมร่าเริงฉันใดขอท่านพร้อมกับญาติทั้งหมดจงร่าเริงฉันนั้นเถิดพญาหงทูลถามพระราชาว่าพระองค์ทรงพระเกษมสาราญแลหรือมีพระอนามัยสมบูรณ์แลหรือรัตสีมารุ่งเรืองแลหรือ พระองค์ทรงอนุสาสพร่ำสอนประสบกนิกรโดยธรรมแลหรือพระราชาตรัสว่าพญาหงเราสุกเกษมสําราญดีอนามัยก็สมบูรณ์ดีอันหนึ่งรัฐสีมาก็รุ่งเรืองและเราก็อนุสาธพร่ำสอนประสบกรณิกรโดยธรรมพญาหงทูลถามว่าโทษบางประการในหมู่อมรรดของพระองค์ไม่มีแลหรืออันหนึ่ง พระองค์มีศัตรูหมู่อมิตรอยู่ห่างไกลดุจพระฉายาด้านทิศทักษิณแลหรือพระราชาตอบว่าแม้โทษบางประการในหมู่อมตะของเราก็ไม่มีอันหนึ่งเรามีศัตรูหมู่อมิตรอยู่ห่างไกลดุจเงาด้านทิศทักษิณพญาหงทูลถามว่าพระองค์ทรงมีพระมเหสีที่เหมาะสมอยู่ในพระโอวาทมีพระสาวณีที่น่ารักถึงพร้อมด้วยพระโอรสพระรูปและพระยศ อยู่ในพระอํานาจตามความพอพระทัยของพระองค์แลหรือพระราชาตอบว่าถูกแล้วเรามีมเหสีที่เหมาะสมอยู่ในโอวาทมีดํารัดที่น่ารักถึงพร้อมด้วยปุตตะสมบัติรูปสมบัติและยศสมบัติอยู่ในอํานาจตามความพอใจของเราพญาหงทูลถามว่าขอเดชะพระองค์ผู้ทรงพดุงรัฐให้เจริญพระราชบุตรจํานวนมากของพระองค์ ทรงสมภพมาดีแล้วถึงพร้อมด้วยพระปีชาชเหลียวฉลาดยังทรงพากันรื่นเริงบันเทิงพระไทยอยู่ณนะสถานที่นั้นๆแลหรือพระราชาตอบว่าท้าวทัตรารฐ ะ, ะบุตรของเราร้อยหนึ่งพระองค์ปรากฏแล้วเพราะเราขอท่านโปรดชี้แจงกิจที่พึงกระทำแก่พวกเขาด้วยเถิดพวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนคำของท่านพญาโหงพระโพธิสัตว์ ได้ฟังพระราชดำรัสแล้วได้ถวายโอวาทแก่พระราชบุตรเหล่านั้นว่าแม้ถ้าว่ากุลบุตรผู้เข้าถึงโดยชาติกำเนิดหรือโดยวินัยแต่ประกอบความเพียรในภายหลังเขาย่อมตกอยู่ในห่วงแห่งอันตรายที่แก้ไขได้ยากช่องโวอันใหญ่หลวงย่อมเกิดแต่เขาผู้มีปัญญา ง, งอนแงนเหมือนคนผู้ตกอยู่ในความมืดแห่งราตรีย่อมเห็นได้แต่รูปหยาบๆเท่านั้น ส่วนกุลบุตรผู้รู้แต่การประกอบความเพียรในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเขาจะไม่ประสบความรู้เลยย่อมตกอยู่ในห่วงอันตรายอย่างเดียวเหมือนกวางที่ตกอยู่ที่ซอกเขาแม้หากว่าคนผู้มีชาติสกุลต่ำแต่เป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรมีปัญญาสมบูรณ์ด้วยอาจาระและศีลก็ย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟในราตรี ขอพระองค์ทรงทำข้อที่ข้าพระองค์กล่าวแล้วนั้นให้เป็นข้อเปรียบเทียบแล้วทรงให้พระราชตรดดำรงอยู่ในวิชาคุณบุตรผู้มีปัญญาย่อมงอกงามเหมือนพืชในนางอกงามเพราะ น, น้ำฝนจูละหังสะชาโดกที่หจบ 7. สัสติคุมพชาดกว่าด้วยนกแขกเต้าชื่อว่าสติคุมพระ พระาศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าพระมหาราชผู้เป็นจอมทัพแห่งชาวแคว้นปัญจาละทรงเป็นดุดในพรานเนื้อเสด็จออกพร้อมกับเสนาทรงพลัดกับหมู่คณะเสด็จมายังราวป่าท่อพระเนธเห็นกระท่อมที่พวกโจรสร้างไว้ในป่านั้นนกแขกเต้าได้บินออกจากกระท่อมไปกล่าวถ้อยคาที่หยาบช้าว่ามีกษัตริย์หนุ่มน้อยพร้อมทั้งพานะ มีพระกุณฑลงามเกลี้ยกล่ำดีมีกรอบพระพักแดงงามเหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างในกลางวันพระราชาบัรทมหลับพร้อมกับนายสารถีเอาเถิดพวกเราจะรีบช่วยกันแย่งชิงอาภรณ์ของท้าวเธอเสียทั้งหมดแม้เวลานี้ก็เงียบสงัดเหมือนเวลาเที่ยงวันพระราชาบัรทมหลับอยู่พร้อมกับนายสารถี พวกเราช่วยคันแย่งชิงพระภูษาและพระกุณฑลแก้วมณีปลงพระชนแล้วกลบพระศพด้วยกิ่งไม้พ่อครัวปฏิโกลัมพระได้ฟังคำพูดของลูกนกแขกเต้านั้นจึงออกไปดูรู้ว่าเป็นพระราชาตกใจกลัวจึงกล่าวว่าเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรืออย่างไรสัติคุมพระพูดออกมาได้ธรรมดาพระราชาทั้งหลายยากที่จะเข้าถึงพระองค์ได้ เหมือนดังไฟที่ลุกโผงนกแขกเต้าสติคุมภะกล่าวโต้อตอบพ่อครัวว่าปฏิโกลัมภะเมื่อท่านเมาคุยคำโตโตออกมาเมื่อมารดาของเราเปลือยกายท่านจึงรังเกียจจรกรรมหรือหนอพระราชาตื่นบรรทมได้ยินคำพูดของนกแขกเต้าสติคุมภะพูดกับพ่อครัวด้วยภาษามนุษย์ปลูกนายสารถีให้ลูกขึ้นตรัสว่า ลุกขึ้นเถิดพ่อสารถีเพื่อนยากเจ้าจุงรีบเทียมรถเราไม่ชอบใจนกนี้เลยเราไปยังอาสมอื่นกันเถิดนายสารถีลุกขึ้นเทียมรถแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระมหาราชราชรถเทียมไว้แล้วพาณะอันทรงกําลังก็พร้อมแล้วเชิญเสด็จขึ้นประทับเถิดพ ย, พยค่ะพวกเราจะพากันไปยังอาสมอื่น นกแขกเต้าสติคุมภะเห็นราชรถแล่นไปอยู่ถึงความสลดใจจึงกล่าวว่าพวกโจรในค่ายนี้พากันไปไหนหมดหนอนั่นพระเจ้าปัญจาละกำลังเสด็จหนีไปพ้นสายตาพวกโจรไปแล้วพวกท่านจงถือเอาเกาทัานหอกและโตมอนนั่นพระเจ้าปัญจาละกำลังเสด็จหนีไปพวกท่านอย่าปล่อยให้พระองค์มีชีวิตอยู่ พระศาสดาทรงประกาศข้อความนี้ว่าครั้งนั้นนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งซึ่งมีจางงอยปากแดงยินดีต้อนรับเรื่องกล่าวว่าพระมหาราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วมิได้เสด็จมาร้ายพระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่เสด็จมาถึงแล้วโดยลำดับสิ่งของที่มีอยู่ในอาสมนี้ขอพระองค์สวยเถิดเคือผลมาพลับผลมหาดผลมะสางผลหมากเม่า และผ ล, ละไม้ทั้งหลายที่มีรสพอสมควรขอพระองค์สวยผ ล, ลไม้ที่ดีดีเถิดพระเจ้าค่ะนี้น้ำเย็นนำมาจากซ้อเขาพระมหาราชขอพระองค์ทรงเดิมเถิดถ้าพระองค์ทรงประสงค์เรืสีทั้งหลายในอาสมนี้พากันไปป่าเพื่อสแสวงหามูลพราหารขอพระองค์เสด็จลุกขึ้นหยิบเอาเองเถิดข้าพระองค์ไม่มีมือจะทูลถวาย ขอพระองค์เสด็จลุกขึ้นหยิบเอาเองเถิดข้าพระองค์ไม่มีมือจะทูลถวายพระราชาเลื่อมสายการปฏิสันถานของนกปุพกะจึงทรงชมเชยว่าปักษีตัวนี้ดีจริงหนอเป็นนกแต่ทรงทำอย่างยอดเยี่ยมส่วนเจ้านกแขกเต้าตัวหนึ่งนั้นพูดแต่คำหยาบช้าว่าจงฆ่ามันจงมัดมันอย่าปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่เมื่อมันบ่นพร่าเพออยู่อย่างนี้แล เราได้ถึงอาสมนี้โดยความสวัสดีนกปุพกะครันได้ฟังพระราชดำรัสแล้วจึงกราบทูลว่าพระมหาราชข้าพระองค์ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมท้องมานดาเดียวกันเจริญเติบโตอยู่ที่ต้นไม้ต้นเดียวกันแต่พลัดตกไปอยู่ต่างเขตแดนกันนกสัติคุมพระเจริญเติบโตในแดนโจรส่วนข้าพระองค์เจริญเติบโตอยู่ในสำนักของเรศีณที่นี้ นกสัติิคุมพระนั้นอยู่ใกล้อส์ปุรุษข้าพระองค์อยู่ใกล้อส์ปุรุษเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งสองจึงแตกต่างกันโดยธรรมนกปุพกะจำแนกธรรมนั้นว่าที่ใดมีแต่การฆ่าการจองจำการหลอกลวงด้วยของปลอมการหลอกลวงซึ่งซึ่งหน้าการปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์และการข่มขู่กระทำทารุณอย่างแสนสาหัส นกสัติคุมภะนั้นสำเนียกแต่การกระทำเหล่านั้นในที่นั้นที่นี้มีแต่ความจริงสุจริตธรรมความไม่เบียดเบียนความสำรวมและการฝึกฝนอินทรีย์พระองค์ผู้ทรงเป็นหน่อเนื้อแห่งพาระตะวง์ข้าพระองค์เจริญเติบโตอยู่บนตักของเรือสีผู้มีปกติให้อาสนะและน้ำบัดนี้เมื่อจะแสดงธรรมถวายพระราชาจึงกล่าวว่า ขอเดชะพระราชาธรรมดาบุคคลคบหาคนใดๆเป็นสัตบุรุษก็ตามอสัตบุรุษก็ตามมีศีลก็ตามไม่มีศีลก็ตามย่อมเป็นไปตามอานาจของคนนั้นนั่นเองบุคคลทำคนเช่นไรให้เป็นมิตรและคบหาจนสนิทกับคนเช่นไรถึงเขาก็เป็นเช่นคนนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นคนชั่วใครครบเข้าย่อมเปื้อนคนคบ ซึ่งม่ได้เปื้อนมาแต่เดิมคนชั่วใครสัมผัสถูกต้องหรือเมื่อสัมผัสถูกต้องคนอื่นก็ย่อมเปื้อนคนที่ตนสัมผัสถูกต้องซึ่งไม่ได้เปื้อนมาแต่เดิมดูดลูกสอนที่กำทราบด้วยยาพิษก็พลอยแปดเปื้อนแล้งไปด้วยเพราะกลัวแต่การแปดเปื้อนนักปราดจึงไม่ควรมีคนชั่วเป็นเพื่อนคนใดห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคาแม้ใบหญ้าคาก็พลอยมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปด้วย การคบหาคนผ่านก็เป็นฉันนั้นส่วนคนใดห่อกฤษณาด้วยใบไม้แม้ใบไม้ก็พลอยมีกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วยการครบหากับนักปราศก็เป็นฉันนั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิต ร, รู้การครบของตนเหมือนกับใบไม้ห่อสิ่งของแล้วไม่พึงเข้าไปคบหาอสัตว์ปุรุษพึงคบหาแต่สัตว์ปุรดเพราะอสัตว์ปุรดย่อมนำไปสู่นรก 8. พันลาติยาชาดกว่าด้วยพระราชาพระนามว่าพันลาติยาพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าได้มีพระราชาทรงพระนามว่าพันลาติยาเท้าวเธอทรงละรัตสีมาได้เสดประพาดป่าล่าเนื้อเสดถึงภูเขาคันธมาศวอร์คีรีซึ่งมีบุพชาตินาน า, นาพันบานสะพรั่งเป็นแดนที่พวกกินนอนสัญจรไปมา เท้าเธอทรงประสงค์จะตรามจึงทรงห้ามฝูงสุนัขทรงเก็บลูกธนูและแร่งเสด็จเข้าไปใกล้สถานที่ที่กินนอนสองผัวเมียอยู่ล่วงระดูเหมันไปแล้วที่ริมฝั่งแม่น้ำเหมวดีแห่งนี้ยายเจ้าทั้งสองยังปรึกษากันเนืองๆอยู่เล่าเราขอถามเจ้าทั้งสองผู้มีร่างกายคล้ายมนุษย์ในมนุษย์โลเขารู้จักเจ้าทั้งสองว่าอย่างไร ฟายกินรีได้ฟังพระดำรัส จ, จึงสนทนากับพระราชาว่าพวกเราเป็นมรึกมีร่างกายคล้ายมนุษย์ท่องเที่ยวไปตามแม่น้ำทั้งหลายคือมันละคิรีนาทีปันธรกะนาทีตรีกูตะนาทีซึ่งมีน้ำเย็นพ่อพรานชาวโลกเขารู้จักพวกเราว่ากินนอนลำดับนั้นพระราชาได้ตรัสว่าเจ้าทั้งสองเหมือนคนมีความทุกข์อย่างแสนสาหัส พากันคล่ำครวญอยู่สวมกอดกันเหมือนคนรักกับคนรักเราขอถามเจ้าทั้งสองผู้มีร่างกายคล้ายมนุษย์เหตุใดเจ้าทั้งสองจึงพากันร้องไห้ไม่สั่งซาอยู่ในปา่านี้เจ้าทั้งสองเหมือนคนมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสพากันคร่ำครวญอยู่สวมกอดกันเหมือนคนรักกับคนรักเราขอถามเจ้าทั้งสองผู้มีร่างกายคล้ายมนุษย์ เหตุไรเจ้าทั้งสองจึงพากันเพ้อรำพันไม่สั่งซาอยู่ในป่านี้เจ้าทั้งสองเหมือนคนมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสพากันคร่าครวญอยู่สวมกอดกันเหมือนคนรักกับคนรักเราขอถามเจ้าทั้งสองผู้มีร่างกายคล้ายมนุษย์เหตุไรเจ้าทั้งสองจึงพากันเศร้าโศกไม่สั่งซาอยู่ในป่านี้กินรีกราบทูลว่าพ่อพราน เราทั้งสองพรดพรากกันอยู่หนึ่งราตรีไม่อยากจะพรดพรากจากกันเมื่อระลึกถึงกันและกันจึงพากันเดือดร้อนเศร้าโศกอยู่ตลอดราตรีหนึ่งนั้นราตรีนั้นจะไม่มีอีกพระราชาตรัสถามว่าเจ้าทั้งสองคิดถึงทรัพย์ที่พินาศไปแล้วหรือหรือคิดถึงบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วจึงพากันเดือดร้อนตลอดทั้งราตรีหนึ่งนั้น เราขอถามเจ้าทั้งสองผู้มีร่างกายคล้ายมนุษย์เพราะเหตุใรเจ้าจึงแยกกันอยู่กินนรีกราบทูลว่าแม่น้ำสายนี้ใดมีกระแสน้ำชี่วกรากปกคลุมด้วยต้นไม้นานาพันธไหลผ่านภูผาหินท่านเห็นอยู่แม่น้ำสายนั้นสามีที่รักของดิฉันสำคัญดิฉันว่าจะติดตามไปจึงได้ข้ามไปในฤดูฝนส่วนดิฉันมัวเลือกเก็บดอกป ร, รู ดอกลำดวนดอกมลิซอนและดอกคัดเขาด้วยหวังว่าสามีที่รักของดิฉันจกได้ประดับดอกไม้และดิฉันจกประดับดอกไม้นอนแนบข้างสามีนั้นอันหนึ่งดิฉันมัวเลือกเก็บดอกบานไม่รู้โรยดอกราชพฤกษ์ดอกแครไฟและดอกย่านทรายด้วยหวังว่าสามีที่รักของดิฉันจกได้ประดับดอกไม้ และดิฉันจากประดับดอกไม้นอนแนบข้างสามีนั้นอันหนึ่งดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาละที่กําลังเบ่งบานแล้วร้อยเป็นพวงมาลัยด้วยหวังว่าสามีที่รักของดิฉันจกสวมพวงมาลัยและดิฉันจากสวมพวงมาลัยนอนแนบข้างสามีนั้นอันหนึ่งดิฉันมัวเลือกเก็บดอกสาละที่กําลังเบ่งบานแล้วร้อยเป็นเครื่องรองรับด้วยหวังว่าดอกไม้ที่ร้อยแล้วนี้แหละ จากเป็นเครื่องปูลา่าสำหรับเราทั้งสองณสถานที่ที่เราทั้งสองจกอยู่ร่วมกันตลอดคืนในวันนี้อันหนึ่งดิฉันมัวเลนเลอร์บทไม้กฤษณนาและไม้จันที่ศิลาด้วยหวังว่าสามีที่รักของดิฉันจกใช้ชโลมกายและดิฉันก็จกใช้ชโลมกายนอนแนบข้างสามีครั้งนั้นน้ำซึ่งมีกระแสเชี่ยวกรากได้ไหลบ่ามา พัดพาเอาดอกสาละดอกสนและดอกกัิกาไปโดยครู่เดียวนั้นน้ำก็เต็มฝั่งจึงเป็นการยากยิ่งที่ดิฉันจะข้าแม่น้ำสายนี้ไปได้คราวนั้นเราทั้งสองยืนมองกันและกันอยู่ที่ริมฝั่งทั้งสองบางคราวก็ร้องไห้บางคราวก็ร้องไ ห, บงงห้บางคราวก็ร่าเริงยินดีราตรีนั้นได้ผ่านไปอย่างยากเย็นสำหรับเราทั้งสองพ่อพราน พอดงวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าตรู่แม่น้ำแห้งเราทั้งสองจึงข้ามไปได้สวมกอดกันและกันทั้งร้องไห้ทั้งร่าเริงยินดีพ่อพราน697ปีเมื่อก่อนเราทั้งสองพระพรากกันอยู่ในที่นี้ข้าแต่พระภูมิบาลชีวิตนี้เพียงร้อยปีเท่านั้นใครหนอจะพึงเว้นจากพัญญาที่น่ารักใครอยู่ในที่นี้ได้เล่า พระราชาตรัสถามว่าก็อายุของพวกเจ้ามีประมาณเท่าไรหนอเพื่อนรักหาพวกเจ้ารู้ก็จงบอกเจ้าทั้งสองอย่าได้หวนไหวจงบอกอายุแก่เราตามที่ได้ยินได้ฟังมาจากวุฒธบุคคลหรือจากตำรากินรีกราบทูลว่าพ่อพรานก็อายุของพวกเราก็ประมาณพันปีโรคอันร้ายแรงก็ไม่มีในระหว่าง ความทุกข์ก็มีน้อยมีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเราทั้งสองยังรักใกล้กันไม่เจอจางจะต้องพากันละชีวิตไปพระาศาสดาทรงประกาศความข้อนี้ว่าก็พระเจ้าพันลาติยะทรงสดับถ้อยคำของอมนุษย์ทั้งหลายทรงดําริว่าชีวิตเป็นของน้อยนักจึงเสด็จกลับไม่เสด็จไปล่าเนื้อทรงบาเพ็ญทานสวยโพคะ พระศาสดาคั้นตรัดพระคถ า, านี้แล้วทรงโอวาพระเจ้าโกศนกับพระนางมลิกาเทวีว่าก็มาหาปพิธทั้งสองทรงสดับถ้อยคำของอนมนุษย์ทั้งหลายจงทรงเบิกบานพระไทยเถิดอย่าทรงทะเลาะกันเลยความผิดเพราะการกระทาของตนอย่าทำให้มหาปพิ์ทั้งสองต้องเดือดร้อนเหมือนความผิดเพราะการกระทาของตนทาให้กินนอนทั้งสองต้องเดือดร้อนตลอดราตรีหนึ่งเลย อนนพระองค์ทั้งสองทรงสดับถ้อยคําของอมนุษย์ทั้งหลายแล้วจงทรงเบื่บานพระไทัยเถิดอย่าทรงวิวาทกันเลยความผิดเพราะการกระทําของตนอย่าทําให้มหาปพิธทั้งสองต้องเดือดร้อนเหมือนความผิดเพราะการกระทําของตนทําให้กินนอนทั้งสองต้องเดือดร้อนตลอดราตรีหนึ่งเลยพระนางมาเลกาเทวีสดับพระธรรมเทศนาของพระตถาคตแล้ว เสด็จลูกจากอาสนะประคองอัญชลีทรงชมเชยพระทศพลว่าหม่อมฉันสดับพระธรรมเทศนามีประการต่างๆมีใจชื่นชมยินดีพระดำรัสต่างๆของพระองค์ประกอบไปด้วยประโยชน์พระองค์เมื่อทรงเปล่งพระวาจาออกมาย่อมบรรเทาความกระวนกระวายใจของหม่อมฉันเสียได้พระมหาสมณะผู้นำความสุขมาให้หม่อมฉัน ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนชีพย่งยืนนานเถิดพันลาติยชาดกที่แปดจบก 9. โสมนัสชาดกว่าด้วยโสมนักุมารพระราชาตรัสว่าใครมาเบียดเบียนข่มเหงท่านทำไมท่านจึงเสียใจเศร้าโศกไม่ชื่นบานเลยวันนี้มารดาบิดาของท่านมาร้องไห้หรือหรือว่า ใครมารังแกทำให้ท่านต้องนอนที่พื้นดินชดินโกงได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าขอถวายพระพรอาตมามีความยินดีที่ได้พบเห็นพระองค์ขอถวายพระพรพระภูมิบาลต่อการนานจึงได้พบพระองค์ขอถวายพระพรพระเจ้าเรนูอาตมามิได้เบียดเบียนผู้ใดแต่ถูกพระโอรสของพระองค์เข้ามาเบียดเบียนพระราชาตรัสว่า ไปเหวพนักงานเฝ้าประตูที่ติดตามและเหล่าเพชฆาตจงไปยังภายในพระราชฐานจงฆ่าเจ้าสมณ ก, กุมาร น, นั้นแล้วตัดศีรษะนำมาพึงทราบคาถาประพันธ์ดังต่อไปนี้ราชทูตทั้งหลายที่ทรงส่งไปกราบทูลพระราชกุมา น, นั้นว่าขอเดชะพระกัติยะกุมานพระองค์ถูกพระราชบิดาผู้เป็นอิสราธิปดีตัดขาดแล้วต้องโทษประหารชีวิต พระราชบุตรนั้นทรงการแสงคร่ำครวญยกนิ้วทั้งสิบประคองอัญเชลีอ้อนวอนว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะเฝ้าพระจอมชนขอพวกท่านจงนำข้าพเจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่แสดงต่อพระองค์เถิดราชทูตเหล่านั้นฟังพระดํารัสของพระราชกุมาร น, นั้นแล้วได้แสดงพระราชบุตรต่อพระราชาส่วนพระราชบุตรทรงเห็นพระบิดาแล้วกราบทูลแต่ไกลว่า ขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนพนักงานเฝ้าประตูที่ติดดาบและเหล่าเพชจะฆ่ามาเพื่อจะฆ่าหมอมฉันหมอมชันขอกราบทูลถามขอพระองค์โปรดบอกเนื้อความนั้นวันนี้หมอมฉันมีความผิดอะไรหนอในเรื่องนี้พระราชาตรัสบอกความผิดว่าดาบทผู้ไม่ประมาททำการรดน้ำและบมเรอไฟทั้งเย็นและเช้ชาในการทุกเมื่อทำไมเจ้าจึงร้องเรียกท่านผู้สารวม ซึ่งประพฤฒิพรหมจันทร์เช่นนั้นว่าเป็นข้าดีเล่าพระราชกุมารกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้สมุติเทพดาบทผู้นี้มีของเก็บรวบรวมไว้หลายชนิดเช่นสมอพิเภกรากไม้และผลไม้นานาชนิดเธอไม่ประมาทเฝ้ารักษาคุ้มครองสิ่งของเหล่านั้นไว้เพราะเหตุนั้นมอมฉันจึงร้องเรียกเธอว่าเป็นข้าดี พระราชาทรงทราบว่าพระโพธิสัตว์ไม่มีความผิดจึงตรัสว่าพ่อกุมารคำที่เจ้าพู้เป็นความจริงดาบทผู้นี้มีของเก็บรวบรวมไว้หลายชนิดเธอไม่ประมาทเฝ้ารักษาคุ้มครองสิ่งของเหล่านั้นไวเพราะเหตุนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นพรามเป็นข้าบดีพระโพธิสัตว์นอบน้อมบริษัทแล้วตรัสว่าขอบริษัททั้งหลายพร้อมทั้งชาวนิคมและชาวชนบททั้งปวง ทีมาประชุมพร้อมกันจงฟังข้าพเจ้าพระราชาผู้จอมชนพระองค์นี้เป็นพานทรงฟังคําของดาบทผู้เป็นพานแล้วรับสั่งให้ประหารข้าพเจ้าโดยมิใช่เหตุต่อมาพระโพธิสัตว์ทูลขอบรมราชาอนุญาตบวชว่าเมื่อรากยังมั่นคงเจริญงอกงามแผ่ไพศาลอยู่กอไผ่ที่แตกกิ่งก้านสาขาก็ยากที่จะถอนให้หมดสิ้นได้ขอเดชะพระองค์ผู้จอมชน หม่อมฉันขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้หม่อมฉันโบวชพระราชาตรัสว่าเจ้าจงสวยโภคาอันัยบูนเถิดพ่อกุมารพ่อจะมอบความเป็นใหญ่ให้เจ้าทุกอย่างเจ้าจงเป็นพระราชาของชนชาวครุในวันนี้เถิดอย่าโบวดเลยเพราะการโบวชเป็นทุกข์พระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระราชโอรสกราบทูลว่า ขอเดชะพระองค์ผู้สมติเทพโภคะทั้งหลายของพระองค์ในพระนครนี้ที่มอมฉันควรจะบริโภคใช้สอยมีอยู่หรือหนอในชาติก่อนมอมฉันได้รื่นรมด้วยรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะอันน่ารื่นรมใจอยู่ในเทวโลกขอเดชะพระองค์ผู้สมติเทพโภคะทั้งหลายในเทวโลกชั้นดาวดึงมอมฉันก็บริโภคใช้สอยมาแล้ว และหม่อมฉันก็มีหมู่เทพอับสอนแวดล้อมบำเรอแล้วอันหนึ่งหม่อมฉันทราบว่าพระองค์เป็นพานถูกผู้อื่นแนะนำจึงไม่ควรอยู่ในราชาสกุลเช่นนั้นพระราชาตรัสว่าหากพ่อเป็นคนพานถูกผู้อื่นแนะนำไซลูกรักเจ้าจงอดโทษให้พ่อสักครั้งเถิดถ้าพ่อเป็นเช่นนี้อีกเจ้าจงทำตามความคิดของเจ้าเถิดพ่อสมมนัท พระโพธิสัตว์ถวายโอวาพระราชบิีดาว่าการงานที่บุคคลไม่ใคร่ครวนก่อนแล้วจึงทําไม่ไตรตรองก่อนคิดผลย่อมเลวทรามเหมือนยาเสื่อมคุณภาพการงานที่บุคคลใคร่ครวนก่อนแล้วจึงทําไตรตรองโดยชอบก่อนแล้วคิดผลย่อมเจริญเหมือนยาไม่เสื่อมคุณภาพข้อรหัสผู้บริโภคการเกียดคร้านไม่ดีบัรพชิตไม่สำรวมไม่ดี พระราชาไม่ทรงใคร่ครวนก่อนแล้วทำไม่ดีการที่บัณฑิตโกรธไม่ดีบรรพชิตไม่สมรวมไม่ดีพระราชาไม่ทรงใคร่ครวนก่อนแล้วทำไม่ดีการที่บัณฑิตโกรธไม่ดีข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งทิศกระซาตทรงใคร่ครวญก่อนแล้วจึงควรทำไม่ทรงใคร่ครวนก่อนแล้วไม่ควรตัดสินยศเล็กเกียรติย่อมเจริญแด่พระราชาผู้ทรงใคร่ครวนก่อนแล้วจึงทำ ขอเดชะพระภูมิบาลคนผู้เป็นใหญ่ควรใคร่ครวญก่อนแล้วจึงลงอาชยาการงานที่ทำเพราะความรีบร้อนย่อมเดือดร้อนส่วนประโยชน์ทั้งหลายของนอรชนที่ทำด้วยจิตที่ตั้งมั่นโดยชอบย่อมไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนในภายหลังอันหนึ่งชนเหล่าใดจัดแจงบอกเกิดแห่งการงานในโลกแล้วทำการงานที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนในภายหลัง การงานของพวกเขาวินยูชนสรรเสริญมีความสุขเป็นกำไรที่ผู้รู้ทั้งหลายมีความเห็นคล้อยตามขอเดชะพระองค์ผู้จมชนพนักงานเฝ้าประตูที่ติดดาบและเพชฆาตมาเพื่อจะฆ่าหม่อมฉันอันหนึ่งม่อมฉันนั่งอยู่บนพระเพลาของพระราชมารดาถูกพวกเขาฉุด ข, ข้ามาโดยทารุณขอเดชะพระมหาราช มอมฉันประสบภัยคือความตายอันเผ็ดร้อนคับแคบและลำบากวันนี้ชีวิตอันเป็นที่รักบานดังมทุรสมอมฉันได้แล้วพ้นแล้วจากการถูกประหารได้โดยยากจึงมีใจมุ่งต่อการบวชอย่างเดียวพระราชาทรงรับสั่งเรียกพระราชเทวีมาตรัสว่าแม่สุธรรมมาโซมนักกุมารบุตรของเธอนี้ยังหนุ่มอยู่น่าเอนดู วันนี้ฉันขอร้องเขาไม่สำเร็จแม้เธอก็ควรจะขอร้องเขาดูบ้างพระราชเทวีนั้นเมื่อจะส่งเสริมให้บวชจึงตรัสว่าลูกรักเจ้าจงยินดีในพิขาจารย์จงคร่ครวญและบวชในธรรมทั้งหลายจงวางอาชญาในเหล่าสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้ไม่ถูกนินทาเข้าถึงพรหมสถานเถิดลำดับนั้นพระราชาตรัสว่าแม่สุธรรมมา คำที่เจ้ากล่าวน่าอัศจรรย์จริงหนอททำเราผู้มีทุกข์อยู่แล้วให้มีทุกข์ยิ่งขึ้นเรากล่าวแก่เธอว่าเจ้าจงขอร้องลูกกลับทําให้พ่อกุมารมีอุตสาหายิ่งขึ้นพระราชเทวีตรตัสตอไปว่าพระอริยะเหล่าใดผู้หลุดพ้นแล้วบริโภคปัจจัยอันหาโทษไม่ได้ผู้ดับกิเลสแล้วท่องเที่ยวไปอยู่ในโลกนี้หม่อมฉันไม่อาจจะห้ามพ่อกุมาร ผู้ดำเนินไปสู่ทางแห่งพระอริยะเหล่านั้นได้พระราชาทรงสดับพระราชาสวัีนั้นแล้วจึงตรัสว่าชนเหล่าใดมีปัญญาเป็นผู้หูสูดคิดเหตุการณได้เป็นอันมากพระนางสุธรรมานี้สดับคําอันเป็นสุภาษิตของชนเหล่าใดแล้วเป็นผู้มีความขนขวายน้อยปราศจากความเศร้าโศกสิบจำปยชาดกว่าด้วย พญานาคจำไปยะพระราชาทรงเห็นนางนาคสุมนาอยู่ในอากาศจึงตรัสว่าเธอเป็นใครกันหนอรัศมีช่างงามผ่องใสดุจสายฟ้าอุปมาเหมือนดาวประกายพรึ่งขาพระเจ้าไม่เข้าใจถือว่าเป็นเทพธิดาหญิงคนทันหรือหญิงมนุษย์หนอนางนาคสุมนาได้ฟังดังนั้นแล้วจึงตรัสตอบว่าขอเดชะพระมหาราชมอมฉันไม่ใช่เทพธิดา มิใช่หญิงคนทันมิใช่หญิงมนุษย์มอมฉันเป็นนางหน้ากัญญามาที่นี้เพราะเหตุอย่างหนึ่งพระราชาตรัสถามว่าเธอมีจิต ก, กระวนกระวายอินทรีย์เศร้าหมองมีหยาดน้ําตาไหลนองหน้าแม่นางเชิญบอกมาเถิดอะไรของเธอหายหรือเธอปรารถนาสิ่งใดจึงมาที่นี้นางหน้าสุมาณาตอบว่าก็ชาวโลกร้องเรียกสัตว์ใดว่าอุรุชาติ ผู้มีเดชยิ่งใหญ่ขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนชนทั้งหลายเรียกสัตว์นั้นว่านาคชายผู้ต้องการเลี้ยงชีพได้จับนาคนั้นมานาคนั้นเป็นสามีหม่อมชันขอพระองค์โปรดทรงปล่อยนาคนั้นจากเครื่องผูกเถิดเพคะพระราชาตรัสถามว่านาคราชนี้ประกอบด้วยกำลังและความเพียรกลับมาตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกวณิพกได้อย่างไรแม่นางนาค ก, กัญญา ขอแม่นางจงบอกเนื้อความนั้นแก่เราเราจะรู้ว่านาคราชถูกจับมาได้อย่างไรนางนาสุมาาตอบว่าแท้จริงนาคราชนั้นประกอบด้วยกำลังและความเพียรพึงกระทำแม้พระนครให้เป็นเท่าธุลีได้แต่เพราะน้าคราชเป็นผู้นบนอกพระธรรมฉะนั้นจึงบากบันบำเพ็ญตบะขอเดชะพระมหาราช นาคราชอธิษฐานจะตุทสีอุโบสถและบรรณารษีอุโบสถนอนรักษาอุโบสถอยู่ใกล้ขนทางสีแพร่งชายผู้ต้องการเลี้ยงชีพได้จับนาคราชนั้นมานาคราชนั้นเป็นสามีหม่อมฉันขอพระองค์โปรดปล่อยนาคราชนั้นจากเครื่องพันธนาการเถิดเพคะและนางอ้อนวอนพระราชานั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ว, ว่า นางนาค 16,000 นพันนางสวมสายคุณทนแก้วมณีนอนอยู่ในห้องใต้น้ำนางนาคแม้เหล่านั้นยึดเอานาคราชนั้นเป็นที่พึ่งขอพระองค์โปรดปล่อยนาคราชไปโดยธรรมด้วยความไม่ผลุนผลันด้วยบ้านสวยร้อยหลังทองคำร้อยแท่งและโคร้อยตัวขอ อ, อุรุคชาตผู้ได้รับการปล่อยตัวแล้วจงท่องเที่ยวไป ขอหน้าคราชผู้ต้องการบุญจงพ้นจากเครื่องผูกพระราชาตรัสว่าเราจะปล่อยหน้าคราชไปโดยธรรมด้วยความไม่ผลินผลันด้วยบ้านสวยร้อยหลังทองคําร้อยแท่งและโคร้อยตัวขออุรุขชาติผู้ได้รับการปล่อยตัวแล้วจงท่องเที่ยวไปขอหน้าคราชผู้ต้องการบุญจงพ้นจากเครื่องผูกพ่อพรานเราจะให้ทองคําแก่ท่านร้อยแท่ง ต่างหูแก้วมนีมีค่ามากและบันลังสี่เหลี่ยมมีสีอันเป็นสิริคล้ายดอกสามหาวพันยาที่เหมาะสมกันสองคนและโคอุสภาอีกร้อยตัวขออุรุคชาตผู้ได้รับการปล่อยตัวแล้วจงท่องเที่ยวไปขอนาคราชผู้ต้องการบุญจงพ้นจากเครื่องผูกนายพรานกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนแม้จะทรงเว้นการพระราชทาน เพียงพระดํารัสของพระองค์เท่านั้นข้าพระพุทธเจ้าก็จะปล่อยออรุคชาตินั้นจากเครื่องผูกขอออรุคชาติผู้ได้รับการปล่อยตัวแล้วจงท่องเที่ยวไปขอนาคราชผู้ต้องการบุญจงพ้นจากเครื่องผูกพระศา ส, าสดาทรงประกาศความนั้นว่าพญานาคจำเปยยะหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการแล้วเรียกราบทวลพระราชานั้นว่าขอเดชะพระเจ้ากาสี ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระองค์ขอเดชะพระองค์ผู้พดงแคว่งกาสีให้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระองค์ขอประคองอัญชลีต่อพระองค์ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิเวศของข้าพระองค์พระราชาตรัสว่าหน้าคราดแน่นอนทีเดียวที่เขาพูดกันว่ามนุษย์กับมนุษย์จะพึงคุ้นเคยกันเป็นเรื่องคุ้นเคยกันได้ยาก แต่ถ้าท่านขอร้องเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นเราก็จะไปเยี่ยมที่อยู่ของท่านครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อจะปฏิญญาให้พระราชาทรงเชื่อจึงกราบทูลว่าขอเดชะพระมหาราชถึงลมจะพัดพาเอาภูเขาไปได้ก็ดีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะพึงแผดเผาแผ่นดินก็ดีแม่น้ำทุกสายจะพึงไหลทวนกระแสก็ดีถึงอย่างนั้น ข้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่พึงพูดเท็จแน่นอนขอเดชะพระมหาราชถึงท้องฟ้าจะพึงถล่มทลายน้ำทะเลจะพึงเหือดแห้งแผ่นดินซึ่งมีนามว่าภูตทาราและวสุณทาราจะพึงม้วนเข้าและภูเขาสิเนรุสิลาล้วนจะพึงถอนขึ้นทั้งรากก็ดีถึงอย่างนั้นข้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่พึงพูดเท็จ พระราชาไม่ทรงเชื่อจึงตรัสซ้ำอีกว่าน่าคาราชแน่นอนทีเดียวที่เขาพูดกันว่ามนุษย์กับอมนุษย์จะพึงคุ้นเคยกันเป็นเรื่องคุ้นเคยกันได้ยากแต่ถ้าท่านขอร้องเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นเราก็จะไปเยี่ยมที่อยู่ของท่านและตรัสคถาต่อไปว่าพวกท่านเป็นผู้มีพิษร้ายแรงยิ่งนักมีเดชมากและก็โกรธง่ายท่านหลุดพ้นจากเครื่องผูกเพราะเรา ควรจะรู้คุณที่เรากระทาแล้วพระโพธิสัตว์เมื่อจะทาปฏิ ญ, ญาอีกจึงกราบทูลว่าผู้ใดถูกขังติดอยู่ในกระชังใกล้จะตายยังไม่รู้จักบุญคุณที่พระองค์ทรงทาแล้วเช่นนั้นขอผู้นั้นจงหมกไม่อยู่ในนรกที่โหดร้ายอย่าได้ความสำราญทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งเลยพระราชาทรงชมเชยพระโพธิสัตว์นั้นว่า ขอปฏิญญาของท่านจงเป็นสัตว์จริงเถิดขอท่านอย่าเป็นผู้มีนิสัยมักโกรธและผูกโกรธขอครูทั้งหลายจงงดเว้นตระกลุ่หน้าของท่านทั้งมวลเหมือนบุคคลงดเว้นไฟในคิมหันตะรดูฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ได้ชมเชยพระราชาว่าขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนพระองค์ทรงอนุเคราะห์ตระกูลหน้าเหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตรสุดที่รักคนเดียว พระพุทธเจ้าพร้อมกับตระกูลนาคจะทำการขนขวายตอบแทนพระองค์อย่างโอฬารพระราชาทรงมีพระประสงค์จะเสด็จไปยังพบนาคจึงรับสั่งว่าเจ้าพนัก ง, งานทั้งหลายจงเทียมราชรถที่งามวิจิตรจงเทียมม้าอัสดรที่ฝึกดีแล้วซึ่งเกิดในแคว้นกัมโพชะอันหนึ่งจงผูกช้างตัวประเสริฐซึ่งประดับด้วยสุวรรณวัฏถาภรเราจะไปเยี่ยมนิเวศของนาคราช พระาศาสดาตรัสพระคถาว่าเจ้าพนักงานตีกลองตะโพลแกว่งบันดอเป่าสังต่อพระเจ้าอุคเสณพระราชามีหมูนารีแวดล้อมเสด็จไปถ้ำกลางหมูนารีงดงามยิ่งนักพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเรื่องนั้นจึงตรัสว่าพระราชาผู้พดุงแคว้งกาสีให้เจริญได้ทอดพระเนตรภูมิภาคที่วิจิตรด้วยทรายทองและประสาทอง ซึ่งปูด้วยแผ่นกระดานแก้วไพยทูลพระราชาพระองค์นั้นเสด็จเข้าไปยังนิเวศของพญานาคจำไยยะซึ่งประดับตกแต่งไว้แล้วอันมีรัศมีโอภาษเปลง่งปลั่งดุจ ด, ดังแสงอาทิตย์แรกอุทยัยและประดุ ด, ดังสายฟ้าในกลุ่มเมฆพระเจ้ากาสีพระองค์นั้นเสด็จทอดพระเนตรจนทั่วพระนิเวศของพญานาคจำไยยะที่ดารดาดด้วยพระสัชานานาพันธ์ ซึ่งอบอวลด้วยกลิ่นหอมนานาประการเมื่อพระเจ้ากาสีเสด็จไปยังนิเวศของพญานาคจํำปียะเหล่าทิพดนตรีก็บรนเลงทั้งเหล่านางนาค ก, กัญญาก็ฟ้อนรําพระเจ้ากาสีเสด็จขึ้นศูนย์นาคนิเวศซึ่งมีหมู่นางนาค ก, กัญยาตามเสด็จทรงพอพระทยัยประทับนั่งบนพัทละบิดทองคํามีพนักอิงชาปลายด้วยจุลแก่นจันท์หอมซึ่งเป็นทิพ พระองค์เสวยและทรงรื่นรมอยู่ในหน้าพิภพนั้นแล้วได้ตรัสกับพญานาคจำไปยะว่าท่านมีวิมานอันประเสริฐเหล่านี้ซึ่งรัศมีเปล่งปลั่งดังรัศมีดวงอาทิตย์วิมานเช่นนี้ในมนุษยโลกไม่มีนาคราชเพื่อประสงค์อะไรอีกท่านจึงยังบำเพ็ญตะบะอยู่นางนาคกัญญาเหล่านั้นสวมสังวานทองคาใส่เสื้อผ้าสวยงาม มีองคุลีกลมกลึงมีฝ่ามือฝ่าเท้าแดงผิวพรรณไม่จามเลยคอยประคองให้ท่านดื่มน้ำทิพย์ความงามเช่นนี้ในมนุษย์โลกไม่มีนาคราชเพื่อประสงค์อะไรท่านจึงยังบำเพ็ญตบะอยู่อันหนึ่งในพิภพของท่านแม่น้ำเหล่านี้ดาดเดินด้วยฝูงปลามีเกร็ดห น, นานานาชนิดมีนกเงือกเปล่งสำเนียงเสียงร้องอยู่ร ง, งมไพร มีท่าน้ําที่สวยงามนาทีทิพเช่นนี้ในมนุษยโลกไม่มีนาคาราชเพื่อประสงค์อะไรอีกท่านจึงยังบำเพ็ญตบะอยู่ฟูงนกเกรเรียนนกยูงหงและนกดูว่าวทิพต่างพากันเปล่งสำเนียงประสานเสียงอย่างไพเราะโผผินไปมาปากเสีทิพเช่นนี้ในมนุษยโลกไม่มีหน้าคาราชเพื่อประสงค์อะไรท่านจึงยังบำเพ็ญตบะอยู่ ต้นมะม่วงต้นสาละต้นหมากเมาต้นว่าต้นราชพฤกษ์และต้นแคฝอฟล์ผลิดอกออกผลบานสะพรัง่งลุกชาติอันเป็นทิพย์เช่นนี้ในมนุษยโลกไม่มีหน้าคราชเพื่อประสงค์อะไรท่านจึงยังบำเพ็ญตบะอยู่อันหนึ่งรอบรอบสระโบครนีของท่านทิพย์สุคนเหล่านี้หอมฟุ้งตลบอบอวนไม่ขาดสาย ที่พยาสุคนเช่นนี้ในมนุษย์โลกไม่มีนาคราชเพื่อประสงค์อะไรท่านจึงยังบำเพ็ญตบะอยู่นาคราชกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนข้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตบะเพราะเหตุแห่งบุตรเพราะเหตุแหง่งทรัพย์สมบัติหรือแม้เพราะเหตุแห่งอายุก็หาไม่แต่ข้าพระพุทธเจ้าปรารถนากำเนิดแห่งมนุษย์เพราะเหตุนั้นจึงบากบั่นบำเพ็ญตบะอยู่ พระราชาทรงชมเชยพระโพธิสัตว์ว่าท่านมีดวงเนตรแดงมีรัศมีเปล่งปลัง่งประดับตกแต่งอย่างสวยงามตัดผมโกนหนดเรียบร้อยชโลมรูปไร้ด้วยจุนแก่นจันแดงเปล่งรัศมีไปทั่วทิศดุจราชาแห่งคนทันท่านถึงพร้อมด้วยเทพริศมีอนุภาพยิ่งใหญ่เพียพร้อมด้วยกามทั้งสิ้นนาคราชเราขอถามเนื้อความนั้นกับท่าน มนุษยโลกมีอะไรประเสรฐกว่าน้าพิพนี้หรือนาครากราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนนอกจากมนุษยซยโลกแล้วความบริสุทธิ์หรือความสำรวมย่อมไม่มีข้าพระพุทธเจ้าได้กำเนิดมนุษย์แล้วจะทำที่สุดแห่งการเกิดและการตายพระราชาตรัสว่าชนเหล่าใดมีปัญญาเป็นพระหูสูตรคิดเหตุการณ์ได้เป็นอันมาก ชนเหล่านั้นควนครคบโดยแท้เขาพระเจ้าเห็นหนางนากัญญาและตัวท่านแล้วจะทำบุญให้มากน น, นาคราชนาคราชกราบทูลว่าชนเหล่าใดมีปัญญาเป็นพูะหูตรคิดเหตุการณ์ได้เป็นอันมากชนเหล่านั้นควนครคบโดยแท้ขอเดชะพระมหาราชพระองค์เห็นหนางนากัญญาและข้าพระพุทธเจ้าแล้วโปรดทรงทำบุญให้มากเถิดพระโพธิสัตว์ เมื่อจะแสดงทรัพย์จึงกราบทูลว่าก้องเงินทองของข้าพระพุทธเจ้านี้มีอยู่เพียงพอกองทองคำสูงประมาณชั่วลำตาลพระองค์โปรดให้ขนไปจากที่นี่แล้วจงให้สร้างพระตำหนักทองคำและสร้างกำแพงเงินเถิดอันหนึ่งแก้วมุกดาประมาณ5 0 0พันเล่มเกวียนขอเดชะพระมหาราชผู้ประเสริฐทรงมีพระปรีชาอันล้าเลิศ ขอพระองค์โปรสเวยราชสมบัติครอบครองกรุงพาราณสีซึ่งมั่งคั่งสมบูรณ์สง่างามล้ำเลิศดุจทิพยาวิมานเห็นปานนี้เถิดจำเปยชาดกที่สิบจบสิบเอ็ดมหาปโลพนชาดกว่าด้วยการปรลาวปโลให้หลงพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าเทพประดุจผู้มีฤทธิ์มาก จุติจากพรมโลกบังเกิดเป็นพระโอรสของพระราชาผู้ดำรงอยู่ในราชสมบัติซึ่งให้สำเร็จความปรารถนาทุกประการกามก็ดีความสำคัญในกามก็ดีไม่มีในพรโมโลกพระกุมารนั้นทรงรังเกียจกามทั้งหลายเพราะสัญญานั้นนั่นเองก็ภายในเมืองได้มีเรือนสำหรับบเาเพ็ญฌานที่พระราชบิดาโปรดให้สร้างไว้อย่างดีเพื่อพระกุมารนั้น พระกุมารทรงหลีกเรนบำเพ็ญชานอยู่พระองค์เดียวในที่ลับในเรือนสำหรับบำเพ็ญชานนั้นพระราชาพระองค์นั้นทรงอัดอั้นตตนพระไทยด้วยความโศกเพราะพระโอรสได้ทรบ่นเพ้อรำพันว่ากะโอรสองค์เดียวของเรานี้ช่างไม่บริโภคการเสียเลยพระราชาทรงบ่นเพ้อรำพันว่าผู้ใดพึงเล้าโลมโอรสของเราโดยที่เขาพึงปรารถนาการได้บ้าง อุบายในข้อนี้นั้นเป็นอย่างไรหนอหรือใครรู้เหตุที่จะทำให้อรสของเรานั้นเกี่ยวข้องกามได้บ้างพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องว่าภายในเมืองนั้นเองได้มีกุมารีแรกรุ่นนางหนึ่งมีผิวพรรณรูปร่างงดงามเป็นหญิงฉลาดการฟ้อนราขับร้องและได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีในการบรรเลงดนตรีนางได้เข้าไปภายในพระราชฐาน เรีกราบทูลพระราชาดังนี้ว่าถ้าหม่อมฉันจะได้พระกุมารเป็นพัสดาหม่อมฉันก็พึงปละล้ปะปละลมพระกุมาร น, นั้นพระราชาได้ตรัสกับนางผู้กราบทูลอย่างนั้นดังนี้ว่าเธอปะลปะละปละลมเขาได้เธอจกได้เขาเป็นภัสดาพระศาสดาทรงประกาศ ค, ความข้อนั้นว่ากอนางครั้นไปถึงภายในพระราชาฐานได้บรรเลงดนตรีย่วยวนความใคร่นานาประการ ขับกล่อมคาถาอันไพเราะจับใจน่ารักใคร่ก็เพราะทรงสดับเสียงขับกล่อมแห่งนารีนั้นขับกล่อมอยู่กามฉันทะได้เกิดขึ้นแก่พระกุมารนั้นพระองค์จึงทรงสอบถามชนผู้อยู่รอบๆข้างว่านั่นเสียงใครกันใครกันนั่นขับร้องสำเนียงเสียงสูงสูงต่ำตำ่ได้อย่างไพเราะจับใจน่ารักใคร่นักหนาเสนอโโหเราเหลือเกิน พระราชบริพารกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้สมุติเทพนั่นเป็นเสียงสตรีหน้าเพลินเพลินมิใช่น้อยถ้าพระองค์พึงบริโภคกามกามทั้งหลายจะพึงทําพระองค์ให้พอพระไทยยิ่งขึ้นพระราชกุมารตรัสว่าเชิญนางมาทางนี้ทําไมขับร้องอยู่ห่างไกลนักจงขับร้องอยู่ใกล้ๆตําหนักของเราและใกล้ๆเราพระศาสดาตรัสต่อไปว่า นางขับร้องอยู่ภายนอกฝาห้องพระบันทมแล้วได้เลื่อนเข้าไปในเรือนสำหรับบำเพ็ญชานโดยลำดับเพื่อจะผูกมัดพระกุมารเหมือนการจับช้างป่าเพราะทรงรู้รสแห่งกามความริษยาได้เกิดแก่พระกุมารว่าเราเท่านั้นพึงบริโภคกามอย่าพึงมีชายอื่นอยู่เลยต่อแต่นั้นทรงจับพระแสงดาบเสด็จเข้าไปหาชายทั้งหลายเพื่อจะทรงฆ่าทิ้งเสีย ด้วยพระดำริว่าเราคนเดียวเท่านั้นจะบริโภคกามอย่าพึ่งมีชายอื่นอยู่เลยแต่นั้นชาวชนบททั้งปวงได้มาพร้อมกันคร่ำครวญร้องทุกข์ว่าขอเดชะมหาราชพระราชโอรสพระองค์นี้ทรงเบียดเบียนชนผู้ไม่ประทุษร้ายพระเจ้าค่าก็ขัติยราชาทรงเนรเทศ พ, พระราชโอรสพระองค์นั้นจากรัตศีมาของพระองค์ ด้วยพระบรมราชองค์การว่าแงนแคว้นพ่อมีอยู่ประมาณเพียงใดเจ้าไม่ควรอยู่ในเขตมีประมาณเพียงนั้นครั้งนั้นพระราชโอรสนั้นทรงพาพระชายาเสด็จไปถึงฝั่งสมุทรแห่งหนึ่งทรงสร้างบรณารณศาลาแล้วเสด็จเข้าป่าเพื่อทรงสแสวงหาพาราผลครั้งนั้นฤาษีตนหนึ่งได้เหาะมาเหนือสมุทรถึงบรณารณศาลานั้น ท่านได้เข้าไปยังบารรณาศาลาของพระกุมานั้นในเวลาที่นางกุมาริกาจัดแจงพระกริยาหารส่วนพระชายาได้ประเล้าประโลมฤๅษีนั้นดูเอาเถิดกรรมที่นางทำแสนจะหยาบช้าเพียงไรที่ฤๅษีตนนั้นเคลื่อนจากพรหมจรรย์และเสื่อมจากฤทธิ์ฝ่ายพระราชบุตรแสวงหามูลพลาผลในป่าได้เป็นจานวนมากทรงหาบมาในเวลาใกล้เที่ยงวัน เสด็จเข้าไปยังพระอาสมก็แลฤรือศีพอเห็นคตยกุมารจึงหลบไปยังฝั่งสมุทรด้วยดําริว่าเราจะเหาไปแต่ท่านก็จมลงในห่วงน้ําใหญ่ฝ่ายคตยกุมารทอดพระเนตรเห็นเรือศีจมอยู่ในห่วงน้ําใหญ่เพื่อจะทรงช่วยเหลือท่านจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่าตัวท่านเองเดินมาได้บนผิวน้ําไม่แตกแยกด้วยฤทธิ์ครั้นถึงความคลุกคลีกับหญิงแล้ว จึงจมลงในห่วงน้ําใหญ่ธรรมดาหญิงทั้งหลายมีความหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่เสมอมีมายามากทํำพรหมจรรย์ให้กําเริบย่อมจมลงในนรกบุคคลรู้ชัดเนื้อความข้อนั้นแล้วพึงเว้นให้ห่างไกลหญิงเหล่านั้นผู้จาอ่อนหวานไม่รู้จักพอให้เต็มได้ยากเหมือนกับแม่น้ําย่อมจมลงในนรก บุคคลรู้ชัดเนื้อความข้อนั้นแล้วพึงเว้นให้ห่างไกลหญิงเหล่านั้นคบหาชายใดด้วยความพอใจหรือด้วยซัพย์ก็ตามย่อมตามเผาผลาญชายนั้นทันทีเหมือนไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ของตนเองความเบื่อหน่ายได้มีแก่ฤาษีเพราะฟังพระตํรรัดของขติยกุมารฤาษีนั้นกลับได้ทางที่ได้บรรลุมาก่อนจึงเหาะกลับไป ฝ่ายคติยกุมารผู้ทรงพระปรีชาพ่อพระเนรเห็นเรือสีกำลังเหาะไปทรงได้ความสังเวชจึงน้อมพระไทยสู่บรรพชาต่อแต่นั้นพระองค์ทรงบรรพชาสำรอกการราคะได้แล้วทรงเข้าถึงพรหมโลกดังนี้มหาปโลพนชาดกที่11จบ 12. ปัญจะปันทิตาชาดก ว่า ด, ด้วยบัณฑิตห้าคนพระราชาทรงรับที่จะทดลองมโหสถบัณฑิตจึงตรัสสั่งว่าท่านบัณฑิตทั้งห้ามากันพร้อมแล้วปัญหาจำแจ้งแก่เราขอพวกท่านจงสดับเรื่องที่ควรติเตียนก็ดีเรื่องที่ควรสรรเสริญก็ดีซึ่งเป็นความลับของเราควรเปิดเผยแก่ใครดีเสนกะบัณฑิตกราบทูลว่าขอเดชะพระภูมิบาล ขอพระองค์ทรงเปิดเผยก่อนพระองค์ทรงชุบเลี้ยงข้าพระพุทธเจ้าทรงอดกลั้นต่อภาระอันหนักโปรดถแถลงเนื้อความก่อนขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนนักปราทั้งห้าพิจารณาสิ่งที่พอพระไทยและสิ่งที่ถูกพระอธิยาศัยของพระองค์แล้วจะกราบทูลต่อภายหลังลำดับนั้นพระราชาตรัสคถานี้ด้วยความที่พระองค์ทรงตกอยู่ในอานาจกิเลสว่า บุคคลควรเปิดเผยเรื่องที่ควรติเตียนก็ดีเรื่องที่ควรสรรเสริญก็ดีซึ่งเป็นความลับแก่พัญญาผู้มีศีลไม่นอกใจสามีคล้อยตามอำนาจความพอใจของสามีเป็นที่รักที่โปรดปรานของสามีแต่นั้นเซนกะบัณฑิตยินดีแล้วเพื่อจะแสดงเหตุที่ตนทำไว้เองจึงกราบทูลว่าบุคคลควรเปิดเผยเรื่องที่ควรติเตียนก็ดี เรื่องที่ควรสรรเสริญก็ดีซึ่งเป็นความลับแก่เพื่อนผู้เป็นที่พึ่งที่พำนักและผู้เป็นทางดําเนินของเพื่อนผู้ตกยากทุรนทุรายได้ปุกกุสะบัณฑิตถูกพระราชาตรามจึงกราบทูลว่าบุคคลพึงเปิดเผยเรื่องที่ควรติเตียนก็ดีเรื่องที่ควรสรรเสริญก็ดีซึ่งเป็นความลับแก่พี่ชายคนโตคนกลางหรือแก่น้องชายผู้มีศีลตั้งมั่น มีตนมั่นคงกามินทะบัณฑิตถูกพระราชาตรถามจึงกราบทูลว่าบุคคลพึงเปิดเผยเรื่องที่ควรติเตียนก็ดีเรื่องที่ควรสรรเสริญก็ดีซึ่งเป็นความลับแกบ่บุตรผู้ปรนนิบัติรับใช้บิดาผู้เป็นอนุชาตบุตรคล้อยตามบิดามีปัญญาไม่ต่ำสามเทวินทะบัณฑิตถูกพระราชาตรามจึงกราบทูลว่า ขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนประเสริฐความมนุษย์ทั้งหลายบุคคลพึงเปิดเผยเรื่องที่ควรติเตียนก็ดีเรื่องที่ควรสรนเสริญก็ดีซึ่งเป็นความลับแก่มารดาผู้เลี้ยงดูบุตรด้วยความรักความพอใจมโหสถบัณฑิตกล่าบทูลเหตุแห่งความลับว่าธรรมดาความลับปกปิดไว้เท่านั้นเป็นการดีการเปิดเผยความลับบัณฑิตไม่สรนเสริญเพราะเมื่อความปรารถนายังไม่สำเร็จ นักปราดพึงอดกลั้นไว้ก่อนความปรารถนาสําเร็จแล้วพึงพูดได้ตามสบายฝ่ายพระนางอุทุมพรเทวีทูลถามถึงเหตุแห่งความโศกของพระราชาว่าขอเดชะพระราชาผู้ประเสริฐเพราะเหตุไรพระองค์ทรงมีพระทัยวิปริตไปขอเดชะพระองค์ผู้จอมนุษย์หม่อมฉันขอฟังพระดํารัสของพระองค์พระองค์ทรงดําริอย่างไรหรือจึงทรงโทมนัส ขอเดชะพระองค์ผู้สมติเทพมอมฉันไม่มีความผิดเลยหรือเพคะลำดับนั้นพระราชาตรัสต่อพระนางว่าในเพราะปัญหาว่ามโหสถบัณฑิตจะถูกฆ่ามโหสถผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินถูกพี่สั่งฆ่าพี่คิดถึงเรื่องนั้นจึงเสียใจพระเทวีน้องไม่มีความผิดหรอกพระราชาทรงทำเหมือนไม่ทรงทราบอะไรตรัสถามมโหสถบัณฑิตว่า เจ้าไปตั้งแต่พลบค่ำเพิ่งจะมาเดี๋ยวนี้เพราะได้ฟังเรื่องอะไรหรือใจของเจ้าจึงหวาดระแวงเชิญเถิดเจ้าผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินใครได้เรียนอะไรให้เจ้าฟังเราขอฟังคำนั้นเจ้าจงเล่าเรื่องนั้นให้เราฟังพระโพธิสัตว์มโหสถบัณฑิตทูลเตือนพระราชาว่าในปัญหาว่ามโหสถจะถูกฆ่าขอเดชะพระองค์ผู้จอมชน เพราะพระองค์เสด็จอยู่ในที่ลับได้ตรัส บ, บอกเรื่องที่พระองค์ทรงปรึกษาแล้วแก่พระเทวีตอนกลางคืนความลับนั้นพระเทวีทรงเปิดเผยแล้วข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังมาพระโพธิสัตว์มโหสถบัณฑิตกราบทูลความลับของเสนากะบัณฑิตก่อนว่าท่านเสนากะบัณฑิตได้ทํากรรมชั่วเยี่ยงอาศะบุรุษอันใดไว้ที่ป่าไม้รังเขาอยู่ในที่ลับแล้วได้บอกแก่เพื่อนคนหนึ่ง ความลับนั้นท่านเสนกะบัณฑิตได้เปิดเผยแล้วข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังมาพระโพธิสัตว์มโหสถบัณดิตกราบทนความลับของปุกุสะบัณฑิตว่าขอเดชะพระองค์ผู้จอมชนโรคอันม่คู่ควรแก่พระราชาเกิดขึ้นแล้วแก่ปุกุสะบุรุษของพระองค์เขาอยู่ในที่ลับได้บอกแก่พี่น้องชายคนหนึ่งความลับนั้นท่านปุกุสะบุรุษได้เปิดเผยแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังมาพระโพธิสัตว์มโหสถบัณฑิตกราบทูลความลับของกามินทบัณฑิตว่ากามินทบัณฑิตผู้นี้มีอาพาธเยี่ยงอสัตว์ปรุษถูกนรเทพเข้าสิงเขาอยู่ในที่ลับได้บอกแก บ, บุตรชายความลับนั้นกามินทบัณฑิตได้เปิดเผยแล้วข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังมาพระโพธิสัตว์มโหสถบัณฑิต เมื่อจะกราบทนความลับของเทวินทบัณดิตจึงกล่าวคาถานี้ว่าเท้าสักกะเทวราชได้ทรงประทานแก้วมณีแปดเล่มอันรุ่งเรืองยิ่งนักแต่พระอยกาของพระองค์บัดนี้แก้วมณีนั้นตกอยู่ในมือของเทวินทบัณดิตเขาอยู่ในที่ลับได้บอกแก่มารดาความลับนั้นท่านเทวินทบัณดิตได้เปิดเผยแล้วข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังมา พระโพธิสัตว์กราบทูลพระราชาแล้วแสดงทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าธรรมดาความลับปกปิดไว้เท่านั้นเป็นการดีการเปิดเผยความลับบัณฑิตไม่สรรเสริญเพราะเมื่อความปรารถนายังไม่สําเร็จนักปราชญ์พึงอดกลั้นไว้ก่อนความปรารถนาสําเร็จแล้วพึงพูดได้ตามสบายบัณฑิตไม่พึงเปิดเผยความลับพึงรักษาความลับนั้นไว้เหมือนรักษาขุมทรัพย์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 ปั้นจปันทิตะชาดกที่สิบสองจบสิบสามหัตถิปาลชาดกว่าด้วยหัตถิปาลกุมารหัตถิปาลกุมารเห็นรือสีเหล่านั้นแล้วดีใจเลื่อมใสได้กล่าวสามคาถาว่านานแล้วหนอข้าพเจ้าเพิ่งจะได้พบเห็นพรามผู้มีเพศดังเทพมีชดาใหญ่ทรงไว้ซึ่งหาบคอนมีขี้ฟันเคราะ มีสษสะหมักหมอบด้วยธุลีนานแล้วหนอข้าพเจ้าเพิ่งจะได้พบเห็นฤาษีผู้ยินดีในธรรมคุณผู้นุ่งผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดมีผ้าคากรองปิดร่างกายขอพระคุณเจ้าผู้เจริญจงรับอาสนะน้ำและผ้าเช็ดเท้าของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าขอถวายของเมฆ่าต้อนรับพระคุณเจ้าผู้เจริญขอพระคุณเจ้าผู้เจริญจงใช้สอยของเมฆ่าของข้าพเจ้าด้วยเถิด ต่อมาพระราชบิดาเมื่อทรงพร่ำสอนพระกุมารตามอธัธยาศัยจึงตรัสคาถาว่าหธทิบาลลูกรักเจ้าจงเล่าเรียนวิทยาสแสวงหาทรัพย์ปลูกฝังบุตธิดาให้ดำรงอยู่ในย่าเรือนแล้วจงสวยคันธารมรสารมและวัตถุกรามทั้งปวงเถิดเป็นนักบวชได้ในเวลาแก่เป็นการดีพระอริยสันเซิลผู้บวชนั้นว่าเป็นมุนี อธิปาลกุมารเรียกกล่าวคถาว่าเวทวิทยาเป็นของไม่จริงลาบคือทรัพย์มีสภาพเป็นอันเดียวก็หาไม่ชนทั้งหลายห้ามความชราได้เพราะลาบคือบุตรก็หาไม่สัตว์บุษรกล่าวยกย่องการปล่อยวางคันธารลมและรส า, ารมผลสาเร็จย่อมมีได้เพราะการกระทําของตนพระราชาทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสคถาว่า คำของเจ้านั้นเป็นคำสัตย์อย่างแท้จริงผลสําเร็จย่อมมีได้เพราะการกระทําของตนแต่มารดาบิดาของเจ้าเหล่านี้แก่เท่าแล้วพึงเห็นเจ้ามีอายุร้อยปีไม่มีโรคหาธีปาลกุมารสดับดังนั้นแล้วจึงเรียกกล่าวสองคาถาว่าขอเดชะพระมหาราชผู้กแกล้วกล้าประเสริฐกว่านรชนความเป็นเพื่อนกับความตาย ความเป็นมิตรไมตรีกับความแก่เพิ่งมีแก่ผู้ใดและแม้ผู้ใดเพิ่งรู้ในการบางคราวว่าเราจะไม่ตายมารดาบิดาเพิ่งเห็นผู้นั้นมีอายุร้อยปีไม่มีโรคถ้าคนยกเรือลงน้ําภายไปนําคนข้ามฟากไปยังฝั่งได้แม้ฉันใดพญาธิและชราก็ฉันนั้นย่อมนําสัตว์ไปสู่อํานาจของมจุราชผู้ทําที่สุดแน่นอน อสซปาลกุมารเมื่อจะแสดงธรรมแก่พระราชบิดาจึงตรัสสองคาถาว่าตามทั้งหลายเสมือนเปลือกตมเสมือนลมเป็นเครื่องนําใจเหล่าสัตว์ไปได้ข้ามได้ยากเป็นที่ตั้งแห่งพญาแมจุราชสัตว์ทั้งหลายผู้จมอยู่ในเปลือกตมและลมคือกรามนั้นเป็นผู้มีอัตภาพเลวซามย่อมข้ามถึงฝัง่งคือพระนิพพานหาได้ไม่ เมื่อก่อนอัตภาพนี้ได้กระทำกรรมอันหยาบช้าไว้ข้าพระพุทธเจ้าได้รับวิบากกรรมนั้นแล้วความพ้นจากวิบากกรรมนี้ไม่มีแก่ข้าพระพุทธเจ้าเลยข้าพระพุทธเจ้าจะปิดกั้นปกปักรักษาอัตภาพนั้นไว้ขออัตภาพนี้อย่าได้กระทำกรรมหยาบช้าอีกเลยโคปาละกุมารทรงปฏิเสธพระราชาปิดดาแล้วจึงตรัสคาถาว่า ขอเดชะพระมหาราชในโคบาลเมื่อไม่เห็นโคที่หายไปในป่าย่อมตามหาฉันใดขอเดชะพระเจ้าเอสุการีมหาราชประโยชน์ของข้าพระพุทธเจ้าก็หายไปแล้วฉันนั้นฉไหนเล่าข้าพระพุทธเจ้านั้นจะไม่พึงสแสวงหาและท่านได้ฟังพระดํารัสขอร้องของพระราชบิดาแล้วจึงตรัสคถาอีกว่าคนกล่าวผัดเพี้ยนว่า พรุ่งนี้ก็เสื่อมว่าเมื่อเรณนี้ก็ยิ่งเสื่อมทีระชนคนใดเล่าจะพึงรู้ว่าอนาคตนั้นไม่มีแล้วบรรเทาความพอใจที่เกิดขึ้นได้อาจชปาละกุมารกราบทูลปฏิเสธพระราชบิดาแล้วจึงตรัสสองคาถาว่าข้าพระพุทธเจ้าเห็นหญิงสาวคนหนึ่งท่องเที่ยวไปเหมือนคนเมามีดวงตาเหมือนดอกกลารเรเกต พญามมจุราชเ้วยคฆ่าชีวิตนางในปฐมวัยซึ่งมิได้บริโภคโพคะไปสามชายหนุ่มมีชาติกำเนิดที่ดีมีใบหน้า ง, งดงามส่วนทรงหน้าทัศนามีหนวดประปรายเหมือนเกสรดอกโกสุมยังตกอยู่ในอำนาจของพญามมจุราชขอเดชะพระองค์ผู้สมมติเทพข้าพระพุทธเจ้าจะรีบละกามคุณและเคหสถานบช ขอทรงพระกรุณาโปรดอนุ ญ, ญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชเถิดพระเจ้าค่าปุโรหิตเมื่อจะปรึกษากับนางพรามณีจึงกล่าวคาถาว่าต้นไม้ได้โวหารว่าต้นไม้เพราะมีกิ่งทั้งหลายแต่ต้นไม้ที่ขาดกิ่งชาวโลกเรียกว่าตอไม้แม่วาเสถีผู้เจริญบัดนี้เราขาดบทถึงเวลาที่จะเที่ยวพิกขาจาร นางพรามณีเมื่อจะนำตัวอย่างที่เป็นอดีตมากล่าวอุทานคาถาว่านกกระเรียนทั้งหลายบินไปในอากาศได้ฉันใดหง์ทั้งหลายทำลายข่ายคือใยที่แมงมุมชักเขืองไว้ในปลายฤดูฝนบินไปได้ฉันนั้นลูกและผัวของเราก็พากันไปหมดฉันไหนเรารู้อยู่จะไม่พึงไปตาม พระอัครมเมหสีเมื่อจะให้พระราชาทรงทราบเรื่องการด้วยอุปมาจึงตรัสองคาถาว่านกเหล่านี้กินเนื้อแล้วสำรอกแล้วด้วยย่อมบินหลีกไปได้ส่วนนกเหล่าใดกินเนื้อแล้วไม่สำรอกนกเหล่านั้นก็ตกอยู่ในเงื้อมือของหม่อมฉันขอเดชะพระมหาราชพรหมามได้สำรอ c ก, การทั้งหลายทิ้งแล้วพระองค์นั้นกลับจะบริโภคการนั้นอีก คนบริโภคสิ่งที่เขาคายทิ้งแล้วเป็นคนที่บันดิตไม่สันเสริญเลยพระราชาเกิดความสลดพระทยัยเมื่อจะทรงชมเชยพระเทวีจึงตรัสคาถาว่าบูรุษผู้มีกำลังฉุดบูรุษผู้มีกำลังสามที่จมอยู่ในเปลือกตมและลมเลนขึ้นได้ฉั้นใดแม่ทิดาแห่งปัญจาลานครผู้เจริญแม้พระนางก็ฉันนั้น พยุงพี่ให้ข้ามขึ้นจากเปือกตมคือกามได้ด้วยคาถาสุภาษิตพระศาสดาเมื่อจะประกาศว่าพระราชาทรงผนวดแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าพระเจ้าเอสุการีมหาราชผู้เป็นใหญ่ทั่วทิศครั้นตรัสพระดำรันนี้แล้วและแคว้นทรงผนวดแล้วเหมือนพญาช้างตัดเครื่องผูกได้ขาดชาวเมืองประชุมกันไปกราบทูลพระราชเทวี ยังกล่าวคาถาว่าก็พระราชาผู้กล้าหาญประเสริฐกว่านรชนทรงพอพระทัยการบรรพชาและแคว้นไปแล้วแม้พระนางก็จงทรงเป็นพระราชาของพวกข้าพระพุทธเจ้าเถิดพวกข้าพระพุทธเจ้าถวายความคุ้มครองแล้วขอพระนางทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรมเหมือนพระราชาเถิดพระราชาเทวีทรงสดับคํากราบทูลของมหาชนแล้ว จึงตรัสคาถาที่เหลือว่าก็พระราชาผู้กล้าหาญประเสริฐกว่านรชนทรงพอพระทัยการบรรพชาและแควนไปแล้วถึงเราก็จักละการทั้งหลายซึ่งเป็นที่น่ารื่นรมยินดีท่องเที่ยวไปคนเดียวในโลกก็พระราชาผู้กล้าหาญประเสริฐกว่านรชนทรงพอพระทัยการบรรพชาและแควนไปแล้วถึงเราก็จักละการทั้งหลายที่มีอยู่โดยทั่วไป ท่องเที่ยวไปคนเดียวในโลกการเวลาย่อมล่วงเลยไปราตรีย่อมผ่านพ้นไปชั้นแห่งหวัยก็ละลําดับไปถึงเราก็จักละกามทั้งหลายซึ่งเป็นที่น่ารื่นรมยินดีท่องเที่ยวไปคนเดียวในโลกการเวลาย่อมล่วงเลยไปราตรีย่อมผ่านพ้นไปชั้นแห่งวัยก็ละลําดับไปถึงเราก็จักละกามทั้งหลายที่มีอยู่โดยทั่วไป ท่องเที่ยวไปคนเดียวในโลกการเวลาย่อมล่วงเลยไปราตรีย่อมผ่านพ้นไปชั้นแห่งวัยก็ละลำดับไปถึงเราก็จะเป็นผู้เยือกเย็นล่วงเครื่องคล่องทั้งปวงท่องเที่ยวไปคนเดียวในโลกหาธิปาละชาดกที่13จบ 14. อโยคาระชาดกว่าด้วยมหาสัตย์อโยคา ร, ราช พระโพธิสัตว์อโยคระราชเมื่อจะแสดงธรรมโปรดพระราชบิดาจึงตรัสว่าสัตว์ถือปฏิสนธิครั้งแรกอยู่ในคันตลอดคืนหนึ่งดำเนินไปไม่หวนกลับเหมือนเมฆหมอกที่ตั้งขึ้นแล้วลอยผ่านไปนรชนทั้งหลายประกอบพร้อมด้วยกำลังพลสู้รบอยู่ในสงครามจะไม่แก่ไม่ตายก็หาไม่เพราะว่ามณทนแห่งปานสัตว์นั้น ล้วนถูกชาติและชราเบียดเบียนเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรมพระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นทรงข่มขีราชาสตรูผู้มีเสนาประกอบด้วยองค์สี่มีรูปร่างน่าสะพรึงกลัวเอาชนะไปได้แต่ไม่ทรงสามารถชนะเสนาแห่งพญามาจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรม พระราชาบางพวกแวดล้อมด้วยกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพพลเดินเท้าย่อมพ้นจากเงื้อมือของปัญจามิตรได้แต่ไม่อาจจะทรงพ้นจากพญามจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรมพระราชาทั้งหลายผู้ทรงกล้าหานทรงหักค่ายทำลายพระนครกำจัดมหาชนได้ด้วยกองทัพช้างกองทัพมา้า กองทับรถกองทับพลเดินเท้าแต่ไม่อาจจะทรงหักรานพญามาจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรมโครจรสารทั้งหลายตัวตกมันมีมันแตกหลายเยิอมย่อมย่อมยีบ้านเมืองเข็นฆ่าประชาชนได้แต่ไม่อาจจะย่มยีพญามาจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรม นายขมังทนูทั้งหลายผู้มีฝีมือฝึกเปรอดีแล้วเป็นผู้กล้าหาญสามารถยิงไปได้ไกลแม่นยำไม่ผิดพลาดแต่ไม่อาจจะยิงพญามมจูราดได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติทธรรมสะทั้งหลายย่อมเสื่อมสิ้นไปพื้นปฐพีพร้อมทั้งภูเขาและราวาก็หมดสิ้นไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดกาลนานเข้าก็เสื่อมสิ้นไป เพราะสังขารทั้งปวงนั้นย่อมแตกสลายไปตามการกาหนดเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรมแท้จริงชีวิตของเหล่าสัตว์ทั้งปวงทั้งหญิงชายในโลกนี้มีสภาพวันไหวปั่นปนเหมือนแผ่นผ้าของนักเลงเหมือนต้นไม้ที่เกิดใกล้ฝั่งเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรม ทั้งคนหนุ่มทั้งคนแก่ทั้งหญิงทั้งชายทั้งบรรเดาะกระเทยย่อมมีกายแตกทําลายไปเหมือนผลไม้หล่นจากต้นเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติทธรรมดวงจันทร์ซึ่งเป็นราชาแห่งดวงดาวเป็นฉันใดวัยนี้หาเป็นฉันนั้นไม่เพราะส่วนใดล่วงไปแล้วส่วนนั้นเป็นอันล่วงไปแล้วในบัดนี้อันหนึ่ง คนแก่เท่าชราแล้วหามีความยินดีไม่ความสุขจะมีแต่ที่ไหนเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรมยักษ์ปีศาจหรือแม้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นโกรธขึ้นมาแล้วย่อมเข้าสิงมนุษย์ทั้งหลายได้แต่ไม่อาจจะเข้าสิงพญามา จ, จุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรมยักษ ปีศาจหรือแม้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นโกรธขึ้นมาแล้วมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระทำให้อดโทษได้ด้วยพลีกรรมแต่จะทำพย า, ยามจุราให้อดโทษด้วยพลียกรรมหาได้ไม่เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติทธรรมพระราชาทั้งหลายทรงทราบความผิดอย่างชัดแจ้งแล้วจึงทรงลงอาชญาคนผู้มีความผิดผู้ประทุษร้ายและผู้เบียดเบียนประชาชน แต่ไม่ทรงสามารถจะลงอาชญยาพยามจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรมชนทั้งหลายผู้กระทำความผิดผู้ประทุษร้ายและผู้เบียดเบียนเหล่านั้นย่อมได้เพื่อจะทูลกล่าวถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษแต่จะทำพยามจุราชให้อภัยโทษหาได้ไม่แต่จะทาพยามจุราชให้อภัยโทษหาได้ไม่ เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรมความเพ่งเล็งด้วยความหวังดีว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์ผู้นี้เป็นคนมั่งคัง่งเป็นคนมีพลังหรือเป็นคนมีเดชไม่ได้มีแก่พยาม จ, จุราชเลยเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรมสิงโตเสือโคร่งและแม่เสือเหลืองทั้งหลาย ย่อมคมขี ก, กัดกินสัตว์ที่ดินรนไปมาได้แต่ไม่อาจจะกัดกินพญามัจุราชได้เลยเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมนักมายากลทั้งหลายเมื่อแสดงมายากลท่ามกลางสนามย่อมลวงตาประชาชนให้หลงไหลได้เพียงนั้นแต่ไม่อาจจะลวงตาพญามัจุราชให้หลงไหลได้เลยเพราะเหตุนั้นขาพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรม อสสาพิษทั้งหลายตัวที่มีพิษร้ายกาจโกรธขึ้นมาแล้วย่อมขบกัดมนุษย์ทั้งหลายให้ตายได้แต่ไม่อาจจะขบกัดพญามัจุราชได้เลยเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติทธรรมอสสารพิษทั้งหลายโกรธขึ้นมาแล้วย่อมขบกัดผู้ใดหมอผู้เยียวยายังถอนพิษในร่างกายของผู้นั้นได้แต่ถอนพิษอันร้ายกาจของพญามจุราชหาได้ไม่เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรมในแพทย์ธรรมมนตรีหนึ่งในแพทย์เวเดรุณหนึ่งในแพทย์โภชาหนึ่งกจัดพิพยานาคทั้งหลายได้แต่ในแพทย์เหล่านั้นได้ยินว่าได้ตายไปแล้วเช่นกันแลเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมวิทยาทนทั้งหลายเมื่อไรเวชชื่อโครมณ ย่อมหายตัวไปได้ด้วยโอสถดทั้งหลายแต่จะไร้เวทไม่พยามามจุราชเห็นหาได้ไม่เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติ ธ, ธรรมทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นี้เป็นอนิสง์ในธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วผู้มีปกติประพฤติ ธ, ธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุ ก, กติ สภาวะทั้งสองคือธรรมและอาธรรมหามีผลวิบากเสมอกันได้ไหมเพราะอาธรรมนำสัตว์ไปนรกส่วนธรรมยังสัตว์ให้ถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้อโยคระชาดกที่14จบรวมชาดกที่มีในนิบาทนี้คือ 1. มาตังคชาดก 2. จิตตะสัมภูตะชาดก 3. ศสีวิราชาชาดก 4. สิริมันตะชาดก 5. โรหณมิคาชาดก 6. จูละหังสชาดก 7. สัตติคุมภาชาดก 8. พันลาติยะชาดก 9. โสมณะสะชาดก 10. จำเปยยะชาดก 11. มหาปโลพณชาดก 12. ปัญจปันทิตะชาดก สิบสามหัถิปาละชาดกสิบสี่อโยคระชาดกวีสตินิบาจบ